ประเด็นที่ให้บรรยายวันนี้คือเรื่องสันติภาพและความขัดแยงเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะมองเรื่องนี้ในมุมมอง ท, ทั่วไปก็ได้หรือในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ได้ก็จะผสมผสานกันในเรื่องสันติภาพที่ เป็นคอนเซปต์เป็นความเข้าใจแบบทั่วไปแล้วก็เป็นของพุทธศาสนาภาษาบาลีว่าสันตินั้นในคำสัสนสติเขาเรียกาสันติซึ่งเราแปลว่าความสงบก็คือพีซสันติจะใกล้เคียงกับคำว่ากสาตัตริ สานติในสารสพติดหมายถึงขันติความอดทนไม่ใช่สันตินะกระสานตินั้นคือขันติความอดทนคําว่าสันติมีรากศัพท์มาจากคาว่าสมะแปลว่าความสงบในภาษาบาลีนี้จะเห็นคําว่าอุปสมสุสโผเป็นคําที่เวลา ท, ท่านพิจารณาบางสุขุนเนี่ยจะได้ยินประจํา อ น, นิจจาวัตถสังขาราอุปาทววยธรรมวินโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวุปสมโมสุขโขสมโมตัวนี้คือรากศัพท์ของคำว่าสันติอันเดียวกันนะักคำตัวนี้ก็คือคําว่าคำว่าสันตินั่นเองบอกถึงสันติในพระพุทธศาสนาซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อ น, นิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะมีการเกิดขึ้นวัยะแปลว่าเสื่อมเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชชนติเกิดแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุขโขความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับอุปสมโมก็คือสงบระงับเข้าไปสงบเนี่ยเป็นสุข อันนี้บอกถึงสันติที่เป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเพราะว่าในสังสารวัฏเรามีการเวียนว่ายตายเกิด ม, มีความเม่เทมีอุปาทะมีทิติมีพังคะอุปาทะวย ะ, ะเปราเสือมมันเป็นวัตจักรของการเกิดดับเกิดดับ เมื่อเกิดและประตำหดักอุปัชิตาวาในรุชันติแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่หยุดสังสารวัฏหยุดวัฏสงสารอูปสมโมะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่าอนิจจงไม่มีคำว่าทุกขังเมื่อไม่มีกระบวนการอ น, นั้นเนี่ยเราเรียกว่าสงบเพราะไม่มีกิริยา ปฏิกิริยาไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงการมองความสงบแบบนี้คือนิ่งอย่างที่ว่าเราจิตสงบคือนิ่งทีนี้พอเราเตรีว่านิ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้มองในเชิงปฏิเสธมองนิพพานในเชิงปฏิเสธว่า ราคะไยตันหะไยโยนิราโทนิโรวิราโคนิพานะไม่มีราคะไม่มีตันหาคือความดับคือนิพพานพอเราพอเราไปตีความว่าในเชิงปฏิเสธเนี่ยมันก็เหมือนกับการมองสันติในเชิงไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มี ไม่มีปฏิกิริยาไม่มีปฏิกริยาทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับดับคือหยุดเป็นการตีความนิพพานในในเชิงหนึ่งในในพัะไตรปิฎกก็คือในเชิญนิ่งกติสันติในความหมายถึงดับราคะโทสะโมหะไม่มีความร้อนคือไฟคือราคะโทสะโมหะเมื่อไฟดับคือเย็น เมื่อเย็นคือสันติอันนี้ในเชิงหยุดในเชิงไม่มีเป็นการตีความแบบหนึ่งซึ่งเราก็ศึกษาเราก็เข้าใจกันอีกแบบหนึ่งคือการตีความในเชิงที่มีโดยอ้างจากพุทธพจนนีนเพราะฉะนั้นในพุทธพจน์สรุปก่อนนะสันติคือความสงบคือไม่มีความขัดแยง้ง เมื่อความขัดแย้งซึ่งเป็นตัวอ น, นิจจังเนี่ยขึ้นขึ้นลงๆแล้วมันหยุดหยุดกระบวนการความขัดแย้งเราก็เลยเรียกว่าความสงบเราตีความหมายในความสงบเท่ากับไม่มีความขัดแย้งเท่ากับที่มีความการพูดว่าความเย็นคือไม่มีความร้อนมันก็เลยกลายเป็นไวยพจน์กันเป็นซินโนนีมกัน เมื่อไม่มีความร้อนก็เป็นความเย็นเย็นก็คือไม่ร้อนสงบคือไม่มีความขัดแยง้งการไม่มีความขัดแย้งก็คือความสงบเพราะฉะนั้นสงบคือสันติภาพเมื่อไม่มีความขัดแยง้งมันก็คือสันติภาพหัวข้อสันติภาพกับความขัดแยง้งมันก็เลยพูดเรื่องเดียวกันจบแล้ววันนี้แต่ทีนี้ มันยังมีการตีความนิพพานอีกจากพุทธพจน์ต่อไปนี้มาจากนิพพานสูตรที่หนึ่งปฐ ม, มนิพพานสูตรภาษาบาลีก็คือขึ้นว่าอัตถิภิกขเวตถา ย, ยตนะนเอาข้อความเจมมาแปล ก, กันเลยว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำลมไฟลมโลกนี้โลกหน้า ย่อมไม่มีในอายตนะนั้นคือมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีในฐานะอายตนะบางคนก็เอามาตีความเรียกว่าอายตนะนิพพานโดยไปเทียบกับคำว่าแดนเกิดอายตนะนิแปลว่าแดนเกิดก็ได้ เหมือนกับมีเงินมีทองก็เรียกว่ามีอายตนะคือ ด, ดินแดนที่เงินทองมันงอกออกมาก็เลยไปตีความในพระสูตรนี้ว่าเป็นอายตนะนิพพานคือมีดินแดนที่ปรากฏอยู่ในตัวเขามันเองเหมือนอเป็นปรมตถะแปลว่าจริงโดยตัวเองไม่ใช่เป็นสมมติสัจจะนิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งชื่อบัญญัติแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยเป็นสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นไม่ใช่นิพพานเป็นปรมตทในอภิธรรมมันจึงมีจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปก็มีอยู่ในตัวเองจิตก็มีในตัวเองเจติก็มีเองนิพพานก็มีอยู่ในตัวเองไม่ฉะนั้นจะเป็นปรมัาทไม่ได้มันตรงกันข้ามกับที่ว่าสันติคือการปฏิเสธ ความขัดแย้งหรือความมีแต่ตรงนี้สันติมีอยู่นิพพานมีอยู่ในฐานะเป็นอายตนะแล้วคนก็ไปเรียกอายตนะนั้นเหมือนกับว่าเป็นดินแดนแดนดินแดนเหมือนกับในที่สุดมหายานพัฒนาปเป็นแดนสุขขาวดีพุทธเกษตรก็ไปจากตรงนี้แหละในเถรวาท ไม่ได้ตีความเป็นแดนเกิดหรือเป็นเกษตรเป็นเขตอัตถกถาของนิพพานสูตรตีความคำว่าอายนะไม่ได้ตรงกับที่เราเอามาพูดกันเราเอามาพูดกันในฐานะที่เป็นอายณะนิพานคือดินแดนแลวก็มีอยู่เราก็เข้าถึงแต่ในอัตถกถาคำว่าอัตถกถาหมายถึงแหล่งอ้างอิงของเถรวาด การตีความพระบาลีนี้ตีความแบบมหายานก็ได้มันก็กลายเป็นสุขาวดีเป็นพุทธเกษตรอันนั้นก็เรียกว่าอัตรกระถาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราจะตีความแบบของเราต้องดูอัตรกระถาภาษ า, า, าบาลีของพระสูตรนี้ซึ่งเขียนขึ้นในโดยพระเถระที่เกิดทันพระพุทธเจ้าบ้าง หรืออยู่ในศตวรรษเดียวกันอาจจะหลังจาก พ, พระเจ้าอภิพานสักร้อยปีสองร้อยปีเขาเรียกว่าคน contemporary ฟังฟังกันมาก็ในสุดก็มาเขียนเป็น commentary คืออาจฉริยอาจฉรายาภาษาบาลีนี่แหละที่ทำให้เถรวาทเป็นเถรวาทเพราะเราตีความโดยอ้างอาัจากรานี้ถ้าเมื่อใดเราตีความโดยแปลศัพท์บ้าง เพิ่มอัตโนมัติบ้างเมื่อ น, นั้นเราข้ามพ้นแดนของเถระว่าเถระว่าหมายถึงผู้ยึดวาทะของพระเถระในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่ยึดพระใจไปโดกและที่คลายขายายตัวออกมาเป็นอัจฉริยเป็นดีกาซึ่งมันจะเป็นอัจถริยจะเป็นตัวกําหนดดีกาก็จะตามมาถามว่าคําว่าอายตนะตัวนี้หมายถึงอะไร ตอบว่าธรรมดามากเรามีอายตนะภายในอายตนะภายนอกอยู่จัดขูปอายตนะนะรูปายตนะสิ่งที่เป็นตัวให้เราได้รับรู้นะโดยเฉพาะรูปารมเนี่ยเราเรียกว่ารูปายตนะเวลาที่มองมาที่ไมโครโฟนไมโครโฟน มีอยู่จริงเป็นสัจจะนิยมเราไม่ได้คิดกันเองเขาเรียกลูปลายตนะแดนเชื่อมระหว่างจิตผู้รับรู้กับรูปเนี่ยมันเชื่อมต่อกันไอจุดที่ทําให้เชื่อมต่อให้รับรู้เนี่ยเขาเรียกอายตนะมันจึงมีอายตนะภายในประสาทตากับอายยตนะภายนอกคือรูปคือภาพเท่านั้นเองเวลาท่านคิดมันก็มี ตัวธรรมารมมันก็เป็นอาชตพนัภายนอกมันมาผสมกันมันก็เกิดการรับรู้เวลาทีนี้คำถามเวลาเราคิดถึงเทวดาตอนนี้มันอาจจะเป็นจินตนาการที่ไม่มีจริงก็ได้แต่ในการที่ผู้บรรลุนิพพานเห็นแจ้งพระนิพพานนิพพานสัจติกิริยาเห็นแจ้งนิพพานเนี่ย นิพพานไม่ใช่จินตนาการนิพพานเป็นอายตนะเป็นดินเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ว่ามีมีในฐานะเป็นเหมือนกับรูปายตนะแต่เขาเรียกว่านิพพานายตนะเพียงให้จิตรับรู้สัมผัสแต่เราจะไปบอกว่าไอ้สิ่งที่เรารับรู้สัมผัสเนี่ยมันจะเป็นพุทธเกษตรนั่นคือตีความเกินมีมีอยู่ในฐานะที่เป็น ปรมัตไม่ใช่จิตสร้างขึ้นและจิตรับรู้โดยที่ไม่เหมือนอะไรในโลกนี้เลยท่านจงบอกว่าดินก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่มีเขาเรียกว่า extension การกินที่ก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นนามธรรมาและจะไบอกว่าเป็นเหมือนกับภาพหลอนก็ไม่ใช่มันมีอยู่ และมีอยู่ตรงนี้เนี่ยพุทธิชาติเพียงแต่พูดในเชิงว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่ลงหน้าก็ไม่ใช่ในในยุคต่อมาในมิเรนทปัญหาพญานอะพญ า, พามิเรนทก็บอกถ้าอย่างนั้นสแสดงว่านิพานไม่มีเอาจากประโยคเนี้ยนิพานมีพระนักเกษมบอกมี อันนั้นเสียงกับประมาณสี่รอปีหลังจากพระเจ้าอนิพานก็มาเสียงกันอีกจนหลังจากนั้นก็เกิดมหา ย, ยาณอีกนิพานมีอ้าวแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกไปเลยว่าเป็นยังไงบอกก็ไม่มีใครเข้าใจสําหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงนิพานแต่ว่ามีเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าเป็นยังไงก็จะทําให้ยิ่งคนเข้าใจผิดเพราะมันไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ดินก็ไม่ใช่น้าก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่การมาก็ไม่ใช่การนิ่งก็ไม่ใช่อะไรต่างในโลกนี้ไม่มีพวกแล้วแล้วมันจะรู้เรื่องได้ไง มันยากต้องพ้นเข้าถึงนิพพานเองถึงจะรู้ว่ามีเปรียบเหมือนอะไรมาแนก เ, เสนบอกว่าเหมือนกับปลากระเต่ามันอยู่ในทะเลด้วยกันเต่าทะเลปลาทะเลแล้ววันหนึ่งเต่ามันหายหน้าไปเจ็ดวันกลับมาปลาถามว่าหายไปไหนบอกไปเวเคชั่นไปพักร้อน <c oughs> พักที่ไหนล่ะมันร้อนน้ํามันเย็นฉันเลยขึ้นโบก ม, มีมันมีความร้อนเฮ้ย <c oughs> มันจะเป็นไปได้ยังไง ร, ร้อนไปยังไง ปลาไม่เคยรู้จักควารมร้อนมันอยู่แต่เย็นไปพักร้ อ, รอนขึ้นไปคิวข้างบนเอะแล้วบนนั้นมีอะไรมีอากาศอากาศเป็นไงเหมือนน้ำไม่ใชม่มันต้องกลางแล้วมันมีอะไรบนอากาศนกบินมันบินยังไงเหมือนเหมือนไอ้มาหงกระเบนไหมมันไม่ใช่มีต้นไม้มีภูเขามีอะไรต่างแต่มันไม่ใช่อะไรทักอย่างที่ปลารู้ปลาก็แบบเต่าโม้ไม่มีจริง บอกไม่มีเพราะปลาไม่เคยขึ้นบอกใช้ภาษาศั์ชุดต่างๆในทะเลอธิบายบอกไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่เข้ า, น, านิพพานใช้ภาษาในโลกมนุษย์นี่มันพลือเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ามีแต่ไม่ใช่คำว่ามีแต่ไม่ใช่เนี่ย แสดงว่าพูดในเชิงบวกใช่ไหมเป็นอายตนะที่เรารับรู้โดยความเป็นปรมัตแต่จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้มีแต่มันไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่จะว่าไม่มีมันก็ไม่มีไอ้สิ่งที่เราเห็นนี่แหละแต่มันใช่เพราะฉะนั้นนิพพานคือสันติจึงมองได้สองด้าน ในฐานะไม่มีกับในฐานะที่มีการตีความคาว่าสันติจึงใช้ได้ทั้งสองแบบเมื่อทั้งสองแบบสันติกับไม่มีความขัดแย้งจึงไม่ใช่ซินโนนิมเพราะสันติมีมากกับมากกว่าคำว่าไม่มีความขัดแย้งเช่นนิพพานมีมากกว่า ดับราคะโทสะโมหะดับทุกมันมากกว่านั้นแล้วเรียกว่าอะไรเรียกอายตนะกันละกันแล้วอย่าอย่าไปบอกว่ามันมีอย่างที่เราเข้าใจในโลกนี้กันล้วกันดูตัวอย่างว่าสิ่งที่มีกับไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างไรเป็นบาลีนี้จะบอกได้เลยอันตรกาะท่านธิบายยกตัวอย่างว่าถ้าทุกมี สิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกคือความสุขก็ต้องมีทุกมันมีทุกใช่ไหมสุขไม่ใช่หมายความว่าดับทุกมันสุขของมันนะ่ะอย่างสุขคือนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเพราะฉะนั้นบรมสุคมันไม่ใช่แค่ดับทุกถ้าเมื่อมีทุกสุขก็ต้องมีเมื่อมีภาวะคือพบ วิภาวะสภาพที่ไม่มีพกมันก็มีในตัวมันเองมันอยู่คนละขั้วเมื่อมีความร้อนก็ต้องมีความเย็นบาลีนี่จะบอกเลยมันเป็นสภาวะที่มีสีตะเนี่ยสีตะระเนี่ยนะมีความร้อนก็มีความเย็นมีอัคคิมีไฟก็ต้องมีนิพพานลาคัคคโทสัคคีโมหัคคีเป็นขั้วหนึ่ง แต่นิพานไม่ใช่แคแ่ไฟด er ับนะมันก็ต้องมีเมื่อมีทุกข์ชื่อว่าสุขก็มีฉันใดเมื่อมีพบวิพบก็จำต้องปรารถนาคือมีฉันนั้นเมื่อมีความร้อนความเย็นก็มีมันเป็นคนละขั้วบวกกับลบไฟกับนิพานสันตินะความขัดแย้ง กับสันติภาพมันคนละพกักแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าพอไม่มีความขัดแย้งมันคือนเออคือสันติอยู่ตรงนั้นอันนี้คือการมองคอนเซ็ปต์ของสันติภาพอย่างครอบคลุมอย่าไปมองแค่ว่าสันติภาพคือ absence of conflict or war peace ไม่ใช่แค่ absence of war and conflict มันเป็นแค่ความหมายหนึ่งเหมือนกับไม่มีความร้อนนัดเบนในเชิงไม่มีสันติภาพหรือ peace เจึิเป็นสภาวะที่ไม่มีสงครามและความขัดแยง้งในความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งคือสภาวะที่มีเหมือ น, นิพพานไปเป็นอินทรนัตน์มันมีสันติ มันก็คือ the presence of unity harmony freedom and justice สภาวะที่มีเอ ก, กภาพสามัคคีเสรีภาพระความยุติธรรมขยายจากความหมายของคำว่าสันติออกมาเป็นได้สองแนวโดยตีความคำวันิาพานนั่นแหละ อันนี้สอนระดับปริญญาเอกนะถ้าปริญญาโทก็อย่าไปถึงขนาดนี้เลยนะให้รู้ว่าเวลาที่เราจะเรียนได้ลึกซึ้งเนี่ยเราเรียนได้ขนาดไหนอาจจะพูดแค่นี้ก็สามชั่วโมงน่าเรียนมากๆเลยโฆษณาให้ด้วย <laughs> <laughs> ไม่ใช่เจอแล้วมึนนะึงอันนี้ก็ทำให้เข้าใจง่ายๆว่า ในประเทศใดที่ไม่มีความขัดแย้งใช่ว่าจะมีเสรใช่ว่าจะมีสันติภาพไม่มีความขัดแย้งเพราะอำนาจอำนาจอาวุธอำนาจมืดอะไรก็ตามปดไวแต่ข้างล่างมันเป็นภูเขาไฟรอวันระเบิดถ้าตรงนั้นยังไม่มีเสรีภาพไม่มีความสามัคคี ไม่มี justice ไม่มีความยุติธรรมเราก็ไม่เรียกว่าสันติภาพสมบูรณ์มันมันนิ่งความผัดแย้งมันไม่ปะทุเพราะมันถูกกดถูกบีบเสรีภาพในการแสดงออกไม่มีคนก็ยิ้มใส่กันไปเรื่อยๆคนใบ้ก็ไม่ทะเลาะกันแต่มันด่ากันในใจไปเรื่องของเราดีกว่า พุทธพจน์ที่แสดงถึงสโคขอบเขตของสันติภาพาต่อไปนี้จะเห็นว่าสันติภาพมีสองระดับพุทธพจน์แรกคำพุทธพจน์คือคำของพระพุทธเจ้า นัตถิสันติปรังสุขังเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้เราเรียกพุทธภาษิตก็ได้เพราะเป็นลักษณะฉันทลักษ์เหมือนกรอนแปดฉันเราเลยมาเรียกพุทธภาษิตแต่ถ้าเป็นประโยค ย, ยาวๆเราเรียกพุทธพจน์ทั้งทั้งกรอนทั้งฉันทั้งประโยค ย, ยาวๆเราเรียกพุทธพจน์หมดถ้าพุทธศาสนสุภาษิตส่วนมากเขาจะเอาที่จำง่ายๆเป็นฉันทลักษ์อัปตากิตตโรนาโกอย่างเงี้ย นัตถีสันติป ร, รังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีคําว่าสงบตัวนี้ก็คือสันติภาพภายใน จ, ใจิตใจส่วนคําว่าสุขขัสังคสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนําสุขมาให้เนี่ยมันเป็นสุขบรรยากันอันนี้เป็นสันติภาพในสังคมสามัคคีตัวเนี้ยก็คือ ความปรากฏเห็นความปรองดองในเชิญในเชิญบวกเห็นไหมถ้าดูอีกทีก็ได้พุทธพจน์แรกเนี่ยหมายถึงข้อแรกนัตถิสันติป ร, รังสุขังมันไม่มีกิเลสใจเราไม่เป็นสนามรกของกิเลสตัณหาเราก็เลยมีสันติภาพถาวรนัตถิสันติป ร, รังสุขังพอที่ใดก็ตาม อยู่กันอย่างมีสามัคคี ม, Unity, มียูนิตที่มียุติธรรมนั่นคือสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้สองสองพุทธพจน์นี้นำไปสู่บทสรุปต่ตอไปว่าสันติม่งมีสองระดับหนึ่งสันติภาพภายในกับสองสันติภาพภายนอกอัจฉติกะสันติกับพาหิระสันติ นี่จริงภัยสิทธาสันติน่าจะดีกว่าภัยิทธาสันติเอาเอาง น, นี้ก่อนความสงบใจสงบภายในเพีซออฟมาย์ข้อแรกพอเราแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ความสงบภายนอกเนี่ยมันก็จะเห็นที่มาแล้วว่าพระพุทธศาสนานเนี่ยเราเริ่มที่ใจเริ่มจาก ข้หนึ่งเพื่อเป็นฐานของสังคมความสงบในสังคมถ้าใจของคนมีความสุขสงบเขาก็ไม่สร้างความรุนแรงขัดแย้งในสังคมคำสอนในพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบใจในมัชฌิมโอเปตสัมมาทิฏฐิหรือว่าศีลสมาธิปัญญานะใสศกขานะเพื่ออะไรสมาธิก็จิตสงบปัญญาก็ ตัวหลนั้นศีลเนี่ยเพียงแต่คุมพฤติกรรมไม่ให้ออกไปละรานไปสร้างความขัดแยง้งไล้ซี่ขามึงจึงเป็นกระบวนการฝึกเพื่อให้อยู่อย่างคนที่มีสันติสันติภายในตัวเองและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในภายนอกให้กับสังคมในเชิงการฝึกฝนเราจึงเริ่มจากภายในก่อน คืออัจฉติกะสันติซึ่งจะมีกระบวนการที่เรียกว่าตรสิกขามากแปด ส, สมาธิอะไรมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่วันนี้จะพูดในโครงสร้างใหญ่ความขัดแยง้งทั้งพวงเริ่มมาจากจิตใจในการวิเคราะห์ของลุกศรจิตใจของเราเหมือนกับสนามลบย่อยๆแล้วถ้าเราไม่ควบคุมไม่ดีเนี่ยมันก็กระชอออกมากเลมันกระชอมาสร้างความเดือดร้อนในสังคม จะยกตัวอย่างความขัดแย้งที่เริ่มจากใจในเวสันดรชาดกเป็นฉากที่เรารู้จักกันดีก็คือตอนที่พระเวสันดรบริจาคสองกุมารชาลีกันหาเนี่ยชูชกขอสองกุมารจากพระเวสันดรเนี่ยทำให้ได้บงเพทบา ร, รมีเนี่ยมัน ในมหาชาติคำหลวงที่จริงคือแปลงมาจากอัตฉรายาเวสสันดรชาด ก, กแต่ว่าไถ่เราะมาก <c oughs> แสดงถึงจิตของพระเวสสันดรในตอนบริจาคเนี่ยมันเป็นเวทีสัพยุ์ระหว่างจาค ก, ก, กับมัชชริยะจาคคืออยากจะบริจาครูปเพื่อเป็นเพื่อบรรลุโพธิญาตมัชชริยะคือการหวงแหน ความรักลูกของตัวเองในขณะนั้นต้องถือว่าเป็นความขัดแย้งภายในที่รุนแรงนะไม่ใช่อยู่ๆจะบริจาคกันได้โดยในอันธกถ า, าเนี่ยท่านจะบรรยายไว้ดีแล้วก็ศิลปินก็มาวาดภาพอย่างนี้เมื่อพระเวสสันดรได้ ตัดสินใจยกชาลีกันหาให้พราหมูชูชกแล้วเนี่ยพระเวสสันดรก็ยังห่วงลูกอยู่ก็อบอกว่าบอ ก, กบชูชกว่าอย่าเพิ่งรีบตับแล้วเย็นค่ำแล้วค้างคืนสักคืนหนึ่งและพรุ่งนี้เช้าไห้ไปชูชกบอกรีบงานเยอะต้องรีบไปติดธุระในป่าน เหตุก็เพราะว่ารู้ว่าถ้าคือรออยู่เดี๋ยวมัสซีกลับมาแม่จะไม่มีทางสละลูกแน่ๆเพราะฉะนั้นก็รู้ทันพระเวศน ด, ดตัวเองทำหน้าที่บริจาคแล้วเดี๋ยวเล่นตัวดีตัวร้ายอะเนาะตัวดีก็ให้ไปก่อนแล้วตัวร้ายมาก็เอาอคืนแม่มาแล้วใครก็จะให้ลูกลชูโชครู้ทัน ลาแล้วค้างไปเลยขวาแขนลูกเด็กเนี่ยเด็กมันก็สลัดหลุดแล้ววิ่งมาซบเท้าข้อร้องให้บอกว่ายักมารที่ไหนจะเอาไปข้อช่วยด้วยพระเวชดอนก็ตัดใจตอนนั้นมันร้ลอนรุ่มเู่นะสงสารลูกชูโชคก็เอาปากไปกัดแถาหวางมาพันแขนผู้แขนคนละข้างของเด็กแล้วก็จู เด็กไม่แปก็กระชากลม้ลมลงล้มไม่รู้ ก, ก็เอาไม้ตีอย่างที่เราเห็นอยู่กันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกไม่เคยตีเลยพ่อไม่เคยตีลูกแล้วนี่มันเป็นใครมาตีลูกต่อหน้าพ่อน้ำตาไหลเลยเพราะเป็ น, นดอดร์สงสารลูกเข้าไปในบรณารณาศาลาไปในกุฏิทำด้วยใบไม้กัดฟันกรอดเลยโกรธ ที่มาตีลูกต่อหน้าพอ่อโกรธมากเลยชักดาบออกมาทักขันจะฆ่าชูชกอ้ามันไปไู้แล้วควา้าธนูมีธนูจะยิงสองจิตสองใจหนึ่งก็ให้สองก็หกโกรธสู้กันในจิต ฉากตอนนี้มหาชาติคำหลวงพาฒ น, นาไว้ดีมากถ้าใครเรียนมัธยมจะต้องท่องได้บทอาคยานมีใครได้ทักคนเริ่มจากว่าวาริชัสเสวะเมสโตนึกออกมาไหมยังเหลือเชื่อนิดนิดเคนออกมาได้ไหม วาริชัตเสวะเมสโตเสมือนหนึ่งพลานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานตัวเราผู้ทำทานเหมือนตัวปลาพระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือใสปลาธนาจะเข้าไปจจงยกพระลูกให้ เป็นทานบารมีก็จะนึกออกไหมพระลูกรักทั้งสองสีดังกระแสสินนี่ลาพึงกับตัวเองนะเขาเรียกมณสิกาโยนิโสมนณสิการนี่คือตัวอย่างของโยนิโสมมสิการ มาเนะ่ะโยนีโศแปล ว, ว่าถูกต้องแยกผายมันณาติกาคิดกันคิดคิดไม่แยกภายก็ยิงชุูชกตายระหว่านโยนีโสมรณาติการที่คิดที่ถูกต้องกแบบับอโยนีโสมรณาติการนี่มันสู้กันมันเกิดความขัดแยง้งมันเป็นเวทีสงครามาาาาาย่อยๆอนุภาอนุอนุภาและตยุทธอยู่ในนี้ลบกันในจิตใจ พรลูกรักทั้งสองสีดังกระแสสินปพรามประมาทหมิ่นมาด่าตีเสมือนกระทุ่มวารีให้ปลาตื่นปลาจะเข้าใส่แล้วมาตีลูกกับเราเรากำลังจะเข้าโูธิญาณเลยมันมากระทุ่มตัวเราเหมือนตัวปลาจะเข้าไปในใสคือพระโูธิญาณ แล้วก็มาตีลูกมันก็เหมือนกับมาตีปลาหน้าใสอ่ะตีน้ําอ่ะนะปลามันก็ไม่เข้าดลมันก็จะยิงเลยมันจะไม่ไปแล้วนี่ผมนิพานเนี่ยจะเป็นฆาตกรแล้วเนี่ยเนี่ยมันมี <c oughs> ทารแยกอยู่นิด <c oughs> พรามประมาทบินบดดาตีเสมือนกระทุ่มวารีให้ปลาตื่นน้าพระไทยเท้าเธอถอยคืนจากอุเบกษาแต่ะเลขต่างนนะ ถอยเลยนะถอดใจเลยไม่เอาแล้ววานเฉยไม่ได้อนะนื้อพระไทยถอยถอ ย, ถอยคืนจากเาบิกษาบังเกิดอวิชชามาหอม่อหุ้มจิตใจนั้นพระปรัญญานั้นกลัดกลุ้มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลงโมหะเข้ามาแล้วพ ร, พระปรัญญานั้นกลัดกลุ้มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลงพอโมโหเนี่ยความหลง ม, มันทาไงโกรธสิ โทโสเข้าซ้ำส่งให้บงหังเกิดวิหิงสาขึ้นทันทีเพราะจิตโกรธแล้ววิหิงสาคือเบียดเบียดแล้วยิงให้ตายเลยเนี่ยจากที่บริจาคยิ้มยิ้มอยู่ดีๆเนี่ยนะมันกลายเป็นขึ้นธนูเลยนะเกิดวิหิงสาแล้วขึ้นทันทีว่าอุเมอุเมแล้วพู้นี้มาอยู่ป่าเปล่าไม่เป็นไรพระขันสินชัยแล้วก็ถือมา ก็ยาวนะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะแต่แล้วก็มาถึงตุ่นถนึงว่าไอ้ที่เราเนี่ยนะจะไปโพธิญาณเนี่ยมันมีด่านตรงนี้คือต้องบริจาครูปปิยบุตรทานบา ร, รมีเราก็ได้ทำแล้วพระโพธิญาณถึงแค่เ อ, อื้มแล้วก็มันเ อ, อื้มจริงๆเพราะหลังจากบริจาคนี้บา ร, รมีครบสามสิบทัศไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยไปอยู่สวรรค์ท่ น, นดุสิตเวสส ד ו ดพิชติสุดท้ายแล้วก็ลงมาเป็นสิทธัตถะ เขาเรียกว่าขั้นสุดท้ายแล้ว oh. อะไฟนอลแล้บจะมาสอบไฟนอลตกมันก็เป็ น, เ, ป น, เ, ปนปเตอร์สิเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สอนตัวเองอย่างนี้แล้วที่พระมันตีเนี่ยมันตีใครนายเขาตีธาตุเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมอุเบกขามันก็กลับมาตั้งพระสมาธินะ่ ขึ้นมาละเท้าเธอจึงตั้งพระสมาธิระ ง, งับดับพระวิโยคเอาสมาธิคมเป็นวิขำพนาวิมุตตินี่เมื่อกี้มันจะรุนแรงแล้วนะพอพี่นาด้วยโ ย, โยนิสวงรนชิการเสร็จเกิดสมาธิเอาสมาธิคมโทสัตตั้งพระสมาธิระ ง, งับดับพระวิโยคความโศกเศร้าตั้งพระโศกสงบแล้ว ความโศกสงบแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วแจ่มใสชนะแล้วนะดุดทองอุไรทั้งแท่งอันบุคคลแกร้งหล่อแล้วมาวางไว้ในพระอาสมตั้งแต่จะเชยชมพระพระ ป, ระปิยบุตรทานบารมีแห่งนอพระชินสีเจ้านั้นแหละเป็นชัยชนะแห่งสันติ เหนือความรุนแรงจะโดยวิขำพนวิมุตตาน ท, าทาวิมุตอะไรก็แล้วแต่ความโกรธระงับความเศร้าระงับพอชนะแล้วเป็นไงพะพัคไปไงโอ้โ ห, โหพองใสเหมือนทองอุไรทั้ทงแท่งไม่ใช่ห้าซีดหน้าเสียวบริจาบไปแล้วโดน<ย>กินไป๋มวัน บริจาคไปแล้วเ <st arts> <c oughs> น, ะ <c oughs> <c oughs> นาะได้ละ <c oughs> มันพลาดไปได้ยังไง <c oughs> เชียดไปนิดเดียว <n pau ks> <n ose> นั่งคิดอยู่น่่นเป็นไม่เป็นอันเรียน <sh arp> แสดงว่าในจิตเราไม่มีสันติภาพใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือฉากแห่งสันติภาพภายในที่เริ่มมาจากความขัดแย้งที่ประทุประทุกัน แล้วก็จบลงดั่งทองอุไรทั้งแท่งปล่อยหวานนี่คือสันติภาพในในที่เราเห็นได้เลยและตรงนี้เองเมื่อเรามีสันติภาพภายในมัททำให้เกิดสันติภาพภายนอกพระเวสสนา ด, ดก็ไม่ได้ฆ่าชูชกตรงกันข้ามถ้าข้างในเรามีความเข้าใจกันผิด มีความโลภความโกรธความหลงในสุดความขัดแย้งในสังคมมันก็เกิดขึ้นจึงไม่แปลกที่ยูเนสโกได้ประกาศเ้าเรียกาชาร์เตอร์ก็คือธรรมนูน น, นะนะกฎบัตรอนะ่ในตัวปรีแอมโบเ้าเรียกว่าคำปรารบเลยจะมีประโยคทองอันนี้ ไปที่ยูเนสโกที่ปารีส <c oughs> จะเห็นเขาคัดลอกเอามาตั้งไว้นะนสำนักงานเขาแปลเป็นสิาษาประโยคนี้ since wars begin in the mind of men เนื่องจากสงครามมันเริ่มมาจากภายในจิตใจของคนใจคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงที่ใจคนนั่นแหละเราจึงต้องสร้างปราการแห่งสันติภาพ ถ้าเราจะสร้างสันติภาพต้องสร้างที่ใจ it's i a cinema m e n t that the defense of peace m u s t be constructed ปราการให้สันติภาพมันต้องสร้างที่ใจเพราะความรุนแรงความขัดแย้งมันเริ่มมาจากใจอย่างเรื่องภขวิสันดอนเมื่อกี้และสันติภาพมันก็เกิดในใจขวิสันดอนเลยพร้อมใสยูเนสโกไปรอบนะ เห็นหั้ยเขาเรียกว่าส t ต a t e ี y หรือกลยุทธของสันติภาพเนี่ยมันคล้ายกันทั้งหมดในโลกมันต้องเริ่มจากใจตราบใดที่ยังมีความเกลียดชังมีความเข้าใจกันผิดความวิหิงสาเบียดเบียนมันก็จะต้องตามมา่ะทำไงจะให้คนมีความเมตตาการุณาต่อกันพรหมวิหารธรรมเนี่ย มันจึงเป็นคุณธรรมที่โดดเด่นในพุทธศาสนาเมตตากรุณาแล้วก็เวลาจะตัดสู้เนี่ยเราก็จะต้องมีคุณธรรมสามเนี่ยปัญญาคนวิสิทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณเนี่ยตรงเนี้นําให้เกิดสันติภาพ compassion ในมหายานนี้ถือว่าปัญญากับกรุณาต้องคู่กันเลยจึงจะเป็นพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นบุคคลในโลก็ติไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์อนุพทุทธคายธรรมในสุดจะต้องเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ มีกัลุณาคุณเป็นฐานพระพุทธศาสนาบุคคลในดวงคติในพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแห่งสันติภาพเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าทำให้คนทั้งโลกเป็นพุทธได้เนี่ยพุทธจริงๆเนอะก็จะเป็นสังคมแห่งสันติภาพเมื่อไปพูดที่ยูเนสโกในปีเมื่อห้าหกปีมาแล้วไปพูดเสร็จพูดใน ตอนนั้นท่านมาดามโมกว่านะผู้มีการใหญ่ก็อยู่ด้วยพอพูดเสร็จทูตยูเนสโกคนหนึ่งขึ้นมาคอมเมนต์แบบว่าพระพุทธศาสนาสวยงามเหลือเกินเพราะเป็นศาสนาที่สอนให้คนรักสันติภาพเราสามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอย่างนี้ได้และอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จักศาสนาอัน ง, งดงามเช่นนี้ เป็นคอมเมนต์ของผู้ฟังที่ไปพูดเสร็จก่อนแล้วกระบวนการในการแก้ความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสันธิภาพเนี่ยก็คือสรุปด้วยกระบวนการอาริยสัจสีเรามีทุกข์คือเรามักจะแปลทุกข์ว่า Suffering ่ยแต่ในภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้นิยมแปลว่า c o n f lict นะ ลองไปสังเกตดูเขาจะมีนอกจาก e r i n g ก็มีคอน FLICT มีแอนซตี้อะไรก็ว่ากันไปสรุปแล้วคอน FLICT มันก็เป็นตัวที่ทั้งเมนทัลคอน FLICT เลยนะและก็โซเชียลคอน FLICT เป็นความขัดแย้งในใจของแต่ละคนก็เป็นความทุกข์ยำปิดขังนะแล้วปฏิทามปิดทุกขขังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมันทุกข์นั่นแหละ มันก็เป็นความขัดแย้งเพราะเราอยากได้มันมีช่องว่างระหว่างความปรารถนากับความสําเร็จมันเป็นความขัดแย้งภายในหรืออยากจะได้ทั้งคู่ก็แย่งกันทะเลาะ ก, กันมันก็เป็นความขัดแย้งในสังคมมันก็มีสาเหตุเราก็ต้องหาว่าสาเหตุมาจากไหนสาเหตุจากความเข้าใจผิดสาเหตุจากความโลภเกินไปไม่ถอยให้กันตันหาอะไรก็ว่ากันไป ถ้อย่างนั้นเป้าหมายก็คือเมื่อเกิดความขัดแย้งไม่ว่าภายในจิตใจหรือในสังคมเราต้องยุติความขัดแย้งให้ได้จากทุกนํามาสู่สาเหตุคือสมุทยัยทุกคือความขัดแยง้งสมุทัยคือหาสาเหตุเราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีสันติภาพคือนิโรธสันตตัวนิโรธเนี่ยคือสันติยุติความขัดแย้งนั้นแล้วทําอย่างไรคําว่าทําอย่างไรมันก็จะต้องเป็น peaceful means ด้วยสันติวิธีนั่นจึงจะเป็นพุทธศาสนาเราไม่ใช้ความรุนแรงไปยุติความขัดแยง้งมันเท่ากับเอาน้ํามันไปราดไฟสิ่งที่เรามาเรียนกันเนี่ยมันมันก็เพื่อที่จะไปถึงนิโรธคือสานัคคีไม่มีความขัดแยง้งโดยวิเคราะห์ว่ามันเกิดความขัดแย้งเกิดมาจากอะไรมีเหตุจากไหน แล้วแก้ด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ด้วยอารมณ์ซึ่งอารมณ์มันจะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นเอาความรุนแรงไปแก้ไขความรุนแรงมันก็จะเพิ่มปัญหาเราก็ต้องใช้สันติวิธีและสันติวิธีนี้แหละที่เราได้ศึกษาจากภูมิปัญญาจากปัญญาในพุทธศาสนาและภูปัญญาอื่นๆรวมถึงบทเรียนชีวิตของนักปราชญ์ทั้งหลาย ที่มีรูปอยู่เนี่ยและอื่นด้วยทีนี้มาลงลึกไปอีกหน่อยการวิเคราะห์สมูไทยนะคอนฟิกต์เนี่ยคือทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยถ้าจะเกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันเริ่มมาจากการขัดแย้งภายในก่อน เหมือนที่ยูเนสโก้พูดแต่ฟควสงครามมาเริ่มจากใจเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วิเคราะห์เรื่องสงรามเริ่มต้นจากใจที่ยูเนสโกพูดไว้ได้ไว้สวยงามมากในมหานิทานสูตรว่างๆไปอ่านนะน่าอ่านมากถ้ารู้เรื่องในมหานิทานเนี่ยแปลว่าเหตุเกิดนิทานแปลว่าเหตุเกิดพูดถึงปฏิจจสมุปบาท แปลว่าสิ่งต่างอาศัยกันและการเกิดขึ้นเราก็จะชินกับอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้อวิชชาเป็นสังขารสังขารวิญญาณนมรูปตรายญาณภาษาเวทนาแล้วและจนกระทั่งเวทนาทําให้เกิดตังหาใช่ไหมผัสสะัสสปัจจยาเวทนาไอเวทนาปัจจยาตังหาเนี่ยเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตังหาความอยาก ตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานก็พบชาติอะไรก็ไล่ลไปชรามรณะแต่ตรงนี้แยกออกไปปฏิฉิบาทณนี่แยกไปสู่สังคมไปให้เกิดปัญหาสังคมคือความขัดแย้งในสังคมเพราะเราเกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอะไรเกิดการแสวงหาปริเยสนาพอเราอยากใช่ไหมเราก็พอเราอยา ก, เ, า ก, เ, ายากเกิดตัณหาอยากได้เงินเราก็หาเงิน อยากได้ของแล้วก็หาของนั่นคือการแสวงหาพอเกิดแสวงหามันจึงเกิดการได้มาคือลากเราอยากได้ทองตอนนี้ทองลงราคาก็ได้มาแล้วทองหนึ่งก้อนเป็นลากคือสิ่งที่เราได้มาลากทำให้เกิดการตกลงใจวินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยหมายถึงการ ตัดสินว่ามันมีค่าทองนี้มีค่ามากกว่าเข้าเปลือกในขณะที่ไก่ได้พลอยไก่ตัดสินข้าเปลือกว่าวินิจฉัยว่าเข้าเปลือกมีค่ามากกว่าพลอยแต่มนุษย์วินิจฉัยว่าพลอยหรือทองมีค่ามากกว่าข้าเปลือกอันนี้คือการวินิจฉัย พอเราได้มาแล้วก็ต้องวินิจฉัยสิอันไหนมีค่ามากเราเก็บไว้อันไหนมีค่าน้อยถอยวัดเนาะลูกคนไหนเก่งเก่งเอาไว้คนไหนไม่เก่งบวชมันเกิดจากการวินิจฉัยทีนี้วินิจฉัยแล้วเนี่ยเมื่อท่านเห็นว่ามันมีค่าท่านก็เกิดฉันทราคะคําว่าฉันทราคะคือราคะอ่อนๆฉันทักเลยนะ มันมีความปรารถนาที่มีแรงกล้ากับปรารถนาปกติอันนี้เขาเรียกวความต้องการปกติเ อ, อเราอยากได้มันเราเรายึดมันเน่ยอันนี้ของนี้เป็นของมันเป็นของมีค่าเพราะฉะนั้นก็มีการฉันทราคะมีความพอใจมันเอาทองมานั่งดูเอาเก็บไว้ภูมิใจดีใจมีความสุขเขาเรียกฉันทราคะฉันทราค้าก่อให้เกิดอัดโชว์สานะ การหวงแหนว่าเป็นของเรามันไม่ใช่เอามาชื่นชมอย่างเดียวนะของกูทาไมซื้อได้ก่อนคนอื่นกนบลัลลุมเลยนะมองนะโจนมันจะมาทางไหนนี่ถ้าเราไม่มีอโชสานะมันก็จะไม่เกิดการหวงแหนเพราะอโชสานะคือการหวงแหนเพราะว่ามันเป็นของเรา เพราะว่าถือว่าเป็นของเราและมันเริ่มเกิดอะไรอีกครอบครองปริฆหารยึดยึดว่าเป็นของเราครบกันใหม่ๆก็เออเป็นเพื่อนกันเนยะพอถูกใจมันก็มาเป็นแฟนพอแฟนแล้วเป็นห่วงไหมของข้าใครอย่าแตะนั่นอนะปริฆหารเออแล้วมันก็เกิด ความขัดแย้งเน่ะตีกันบ้านแตกอาศัยการครอบครองมันจะเกิดความตระหนี่ความตระหนี่นี่ท่านอธิบายไว้งดงามมากในอัตถกาถาท่านหมายถึงอสาธนณาภาวสะอสอาสนตะทนไม่ได้ที่จะให้คนอื่นมาแย่งเอาไปห่วงเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราตระหนี่หมายถึงว่า จะให้คนอื่นมาใช้ร่วมเอาไปด้วยเอาทองไปเอาคนของเราไปนี่ไม่ให้เนี่ยคือมัจฉริยะไม่แบ่งกันใช้และวนี่แหละมัจฉริยะถ้าไม่มีมัจฉริยะไปเนี่ก็ไปแท่ไปอืไปไกลๆมันก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีคนมาแย่งพอเราครอบครองเราหวงแหนมันเกิดความตระณีตรณีในที่นี้หมายถึงไม่ยอมแบ่งให้ใคร ไม่แชร์ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นของไอ้ที่มันแย่งกันเนี่ยเพราะมันเราไม่แชร์พอมันไม่แชร์ไม่แบ่งมันก็นำไปสู่ตั้งเขตรักษาอย่ามาอย่าเข้ามายุ่งนะนี่มันเทรลทอรี่ใครนะสุนัขมันก็จะไปพ่นฉีรอบเลยนั่นแหละ เขตอารักขามันอ่ะเนอะขอก็เหมือนกันสร้างกำแพงใช่ไหมสร้างห้องสร้างอะไรต่างเพราะมันเกิดอารักฐานนี่แหละมันก็จะมีคนอยากได้แล้วมันก็ลุกล้ำเข้ามาความขัดแย้งมันตรงที่พอเราไปตั้งเขตตั้งแดนปกป้องขุ้มครองอาณาจักรเราเนี่ยและไอ้คนอื่นนี่มันอยากได้ขึ้นมามันก็เจาะเข้ามาที่จอนเจาะเข้ามามันก็เกิดเรื่องเป็นความขัดแยง้ง ควาขแผลดึงมันมาจากตรงนี้จากอารักขานี่แหละถ้าถ้าเราไม่มีขอบเขตไม่มีการบอกว่านี่ของเราใครจะเข้ามาก็ได้ใครจะเอาอะไราไปก็ได้นอนเฉยโจทย์จะยกไปกับอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วมันจะขัดแย้งกันตรงไหนอะ่ะเออมันไม่มีเพราะฉะนั้นทําใจอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันหรอ ก, รอกใครเอาไว้ก็ไป แต่ทีนี้ความขัดแย้งมันเพราะเมื่อเราเกิดอารักขาขึ้นมามันก็เกิดเรื่องอันเนื่องมาจากการอารักขานั้นแหละความขัดแย้งมันเริ่มอจากตรงนี้เขาเรียกอารักขาที่ก่อนเหตุไอ้ความขัดแย้งมันอยู่จุดนี้แหละเพราะมันมีเขตของมันขีดวงไว้พอคนจอดเข้ามาในวงเมื่อไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องคือยังไงนี่พระเจ้าจะต่อเลยอ่ะกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกไม่ใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดทะเลาะแก่งแย่งวิวาด มาเป็นชุดเลยทีนี้มึงมึงกูกูความขัดแย้งมันระเบิดตอนนี้แหละตอนที่มากระทบขีดวงของเราที่เราอารักฐาด่าใครก็ได้แต่จะด่ากเออูเพราะเราขีดแล้แ่ะยกเว้นด่าเราเนาะถ้ดาดา่ากูเราเลยขยิบไปด่าดี่ินมสะใจนี่มันไม่ขัดแยง้งพอมาด่าเราก็เราก็ด่ากลับมันก็เป็นวีวาา ภาษาบาลีนี่นะถือไม้เนี่ยนะถือมีดนี่นะทันเลาะอันนี้ก็เข้าใจแก่งแย่งกับวิวาสไม่เหมือนกันนะแก่งแย่งหมายถึงแย่งกันทางกายดึงฉุดกันช้ากันแก่งแย่งถกเออเรียกว่าขัดแย้งทางกายถ้าวิวาทนี่ขัดแย้งทางวาจาเขียนด่ากันก็ได้ลงพูดกันก็ได้ความขัดแย้งเนี่ยคือตัวเนี้ทั้งคือความขัดแย้งทั้งหมด ในสังคมท่านวิเคราะห์มาตั้งแต่เอาวิ ช, ชามาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดับเอาวิ ช, ชาดับตันหาดับอะไรต่งางๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดกระบวนการนี้หรอกแต่ละคนแต่เมื่อเมื่อไอกระบวนการเขาเรียกว่าสันติศึกษาเนี่ยศึกษาให้เกิดสันติภาพก็คือทําไงที่จะกําจัดตันหาอุปาทานอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดการอารักขาปล่อยวางตรงนั้นนั่นก็เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือในฝ่ายที่จะไปลูกหลานเขาอย่าไปโลภเกินดิเพราะคุณมีความโลภคุณก็ไปแย่งเขาอ่ะในฝ่ายที่ฝ่ายห่วงแหงก็เกิดฉันทล า, าคะเกิดความโลภห่วงไว้ไอคนอื่นแทนที่มันจะอยู่ดีมันมันก็ตายาวขึ้นไปอีกนะอะไปเห็น <laughs> ขอคนอื่นดีกว่าของเราอ่ะไปแย่งเขาอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกระบวนการข่มความโลภ มันก็ไม่นำไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็ความโกรธมันก็มาด้วยในในขณะที่เราจะแย่งกันมันก็ด่ากันทำให้เกิดความโกรธหรือไม่ได้ดังใจมันก็โกรธนี่คือกระบวนการวิเคราะห์เหตุแห่งความขัดแย้งที่มาเริ่มภายในใ จ, ใจิตใจแล้วก็ต้องมีกระบวนการไตรสิกขาที่จัดการกับเรื่องนี้ตัวอย่างกรณี ที่ริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีก็เป็นตัวอย่างแห่งการวิเคราะห์ที่พระเจ้าได้ทรงทามาแล้วก็พระองค์ก็เข้าไปแทรกแซงยุติความขัดแยง้งปกติพระญาติฝ่ายพระบิดานะคุมกับกรุงกับบิรพัฒนนะก็อยู่ติดกับเมืองของพระมานาเทวทหาและมันก็จะมีน้าแม่น้ำโรฮินีไหลผ่านถ้ามันน้ำน้ามากเนี่ยมันไม่มีปัญหา แต่พอน้ำมันแรงน้ำมันน้อยเนี่ยฝ่ายที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยกักน้ำไว้ในแม่น้ำโรหินีเพื่อที่จะเอาน้ำไว้ใช้ปลูกข้าวเองไอ้ฝ่ายที่อยู่ปลายน้ำจะเมืองไหนกันแล้วแต่ในสองเมืองเนี่ยก็โกรธก็ไปทำลายทำนกทำลายเขื่อนก็เลยด่ากันพอด่ากันมันก็พลาดพิงว่าเอ้ยลบกันก็ได้ท้ากันนะลบกันก็ได้ อ้ยไม่มีแรงหรอกพวกเองเนี่ยเป็นพวกไอ้อยู่ใต้ต้นกระเบาหมายถึงว่าเชื้อพระวงศ์เนี่ยโอ้ยพวกเองก็ขี้เลื่อ น, นว่ากษัตริย์ขีเ้เลือนอะไรเงี้ยมันกระทบถึงกล่องดวงใจเขาก็เลยมองหน้ากันไม่ติดลุกลามไปจนกระทั่งไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินบอกเดี๋ยวจะพิสูจน์ฝีมือพวกโลกเลื่อนให้ดูจะพิสูจน์ฝีมือของพวกต้นกระเบาให้ดู ก็เลยยกทัพมารบกันมันลุกลามจากที่ยึดไอ้น้ําแค่นี้เลยการทะเลาะวิวาทมันขยายเป็นสงครามพระพุทธเจ้า ก, ก็สเสด็จไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไปถามว่าท่านรบกันเพราะอะไรตอนแล้วก็มันมาดูถูกสถาบันฉันเอา้าแล้วทําไมมาดูถูกสถาบันไล่ไปอะ้รมาเพราะแย่งน้ํากันพุทธเจ้าก็ถามว่าตกลงนี่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ํา ระหว่างน้ำในแม่น้ำกับเลือดของพวกเธอเนี่ยที่มันจะต้องหลังนองเหมือนแม่น้ำเนี่ยอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันเลือดมีค่ามากกว่าแล้วทำไมต้องมารบกันเพราะสิ่งที่มีค่าน้อยทั้งสองฝ่ายก็เลยถอยทับได้สติเราเรียกพระปางนี้ว่าปานห้ามญาตสังเกตนยกมือสองข้างนะ ไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยกทันเดียวนะห้ามทั้งสองนะไม่ใช่ไปจับไอ้ฝ่ายนี้ขอที่งขที่ไอ้ฝ่ายนั้นก็ต่อยเขาตุ๊บตุ๊ตุ๊ต <c oughs> คนที่จะห้ามเขามันต้องเป็นกลางไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเ <c oughs> ้าเรียกว่าสรุปกระบวนการทั้งหมดก็คือเรื่องอริยสัจสี่นะเป็นสันติวิธีทีนี้ เราในฐานะเป็นวิศวกรสันติภาพพิเ e ษชิเนียเราจะเข้าไป i n t e r v e n e ไปห้ามมวยหรือไปยับยั้งโปรเซสที่ว่านั้นได้อย่างไรบ้างไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงในสังคมเมื่อเกิดความรุนแรงในสังคมเราจะยุติ ค, ความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรให้เกิดสันติภาพ ถาวรได้อย่างไรมันก็มีกระบวนการสี่ขั้นตอนข้อแรกก็คือสังวรประธานที่เราบอกว่าการดีกว่าแก้คือสังวร อ, อย่าให้มันเกิดความแดแย้งขึ้นมาถ้าปล่อยให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันประทุขึ้นมานะมันจะอาจจะต้องเสียหายก่อน เหมือนเราไม่ให้เป็นโรคร้ายเนี่ยนะโรคร้ายอย่างมะเร็งมันมีตั้งสระยะเนี่ยเราไปป้องกันไม่ให้มันเกิดหรือถ้าเกิดระยะที่หนึ่งเราแก้ทันอย่างนี้มันก็เป็นสัวรเป็นปะหาน ะ, ะสังวรคือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งเราเรียกว่า conflict prevention การศึกษาเนี่ยสันติศึกษาจะต้องศึกษาว่าทําอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งก่อนไม่ใช่ไปแก้ความขัดแยง้งเมื่อมันเกิดเรื่อง อ่านเกมขาดเลยว่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้มันจะลุกลามเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวรีบไปสลายความขัดแย้งตั้งแต่มันประทุนิดเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวนี่คือสังวรประทาน conflict prevention และถ้ามันเกิดขึ้นมันรีบแก้ไขตั้งแต่ต้นต้นลมหรือต้นทางเนี่ยนะมันก็ resolution ที่ทำได้เร็วหรือมันลุกลามไปแล้วเราจะแก้ยังไง หมาเป็นเกนกระบวนการที่สองที่สามคือเมื่อมันสงครามยุติความขัดแย้งยุติแต่มันยังคุกรุ่นอยู่ในจิตใจเนี่ยเราจะมีกระบวนการปลอมดองสมานในฉันเป็นเล็กคอนซัลเลชันได้อย่างไรก็ต้องศึกษาวิธีการเองและสุดท้ายเมื่อมันเกิดสันติภาพขึ้นแล้วจะทำให้มันถาวรยั่งยืน เป็น peace preservation เนี่ยจะทำอย่างไร ส, สันติถึงสามันจะอยู่มีสี่เรื่องเท่านั้นเองแล้วแต่ว่าเราจะไปนเน้นตรงไหนบางคนก็เก่งในการนักเจรจาไกลเกลียก่ยบางคนก็ถนัดในการกล่องให้คนอาภัยกันลืมและให้อาัยก็แล้วแต่นะหรือบางคนก็บอกนั่งกรรมฐานจะได้ไม่ทะเลาะกันมันก็เป็นสัวรอย่างนี้นะ เอาเรามาดูแต่ละแต่ละด้านแน่อยใเราจะทําอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือสังวรประธานป้องกันความขันแยงสิ่งที่เราจะต้องสร้างเป็นปราการสันติภาพในจิตใจของคนเนี่ยคือขันติที่เมื่อกี้เรียกว่าการสันติตัวขันตินี่แหละจะเป็นตัวคือเราอย่าไปนึกว่าทุกคนเป็นชาวพุทธต้องเป็นทําจิตใจให้ผ่องใสได้ คือเขาอาจจะจิตใจเขาอาจจะโกรธเลยแต่เราไม่ต้องการให้ความโกรธนั้นมันกระเฉาะออกอามามาเป็นความขัดแย้งในสังคมคือเราไม่สามารถจะทำให้คนเป็นชาวพุทธเหมือนกันได้เมื่อเราอยู่ร่วมในสังคมที่มีความหลากหลายเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือให้เขามีขันติความอดทนขันติปรมังตะโปตีติขาน ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นประโยคแรกในโอวาทปติโมกคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไปให้พระไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยต้องมีความอดทนพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความรุนแรงตัวเองไปเจออะไรที่มันไม่ถูกใจก็ต้องอดทนและเผยแผ่ถ้าใครไม่ไปเผยแผ่โดยอนุปวาโทในในในโอวาทปติโมกเนี่ยพระุทธเจ้สาสอนเก้าเดือนหลังจากตัดสระูะนะอย่าไปว่าร้ายใคร อย่าไปเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ศาสนาเจนไปเป็นการเผยแผ่ด้วยสันติวิธีและไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงคือไม่ว่าร้ายไกลไม่ทำร้ายไกลอันนี้เป็นธรรมนูญในการเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่เก้าเดือนหลังอยากตัสรู้เนี่ยใช้มาจนทุกวันนี้อันนี้ก็คื อ, อท่าทีของศาสนาทีนี้ ทำยังไงถึงจะเกิดความอดทนเราก็ดูว่าในยูเนสโกที่เขาเริ่มเ r เรียโบนะคนทำปาร์บว่าสงสามเริ่มที่ใจเขาเน้นเรื่องความอดทนเป็นสาคัญได้ออกปฏิญญายูเนสโก e c ค a เรชันน่นะ ในปี2 1 3 8เรียกว่าประกาศปฏิญญาว่าด้วยหลักการแห่งขันติธรรม Principles of Tolerance ใครที่เรียนด้านนี้ต้องศึกษา ร, รออยายละเอียดทุกข้อเลยมันถึงจะเชื่อมกับระดับโลกได้จากโออัตปฏติโม่เชื่อมไปที่ยูเนสโกปฏิญญาว่าด้วยหลักการแห่งขันติธรรม Tolerance คำว่าขันติธรรมน เ, นเนี่ยเป็นประการสร้างสันติภาพของประชาคมโลกรายละเอียดไปดูกันเองแต่ว่าแค่แนะนำกันลันว่าเป็นอย่างไรคำว่า Tolerance ของ u n e s c โหมายถึงอะไรหมายถึง Respect การเคารพ acceptance การยอมรับและ appreciation การนับถือความหลากหลายของวัฒนธรรมโลกเนี่ยและวิธีในการแสดงออกต่างๆวิธีชีวิตที่ต่ตางกันไปคนเราเนี่ยพอเห็นเขาแต่งตัวไม่เหมือนเราพูดไม่เหมือนเราทานไม่เหมือนเรา ชื่นชมคุณค่าไม่เหมือนเราเนี่ยมันผลกันไม่ได้อันนี้แหละเป็นเหตุของอคติความรุนแรงต่างๆโดยเฉพาะ clash of civilizations การประทักของอาระยธรรมสองสายที่มันต่างกันเนี่ยในยุคที่ที่ผักในชุกนี้แหละเขาเรียกว่า clash of civilizations กลายเป็นว่าศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเสริมความขัดแย้งและนำไปสู่ความรุนแรงทุกวันนี้ที่โลกที่โลกกำลังขัดแย้งอยู่ทุกวันนี้มีบอมมีซุยไซบอมมีอะไรต่างมันมาจากตรงนี้การไม่ไม่เคารพความแตกต่างทั้งในประเทศเราด้วย และก็เป็นเหตุสำคัญของความรุนแรงของโลกทุกวันนี้ที่ตายกันมากเนี่ยตรงนี้โดยรวมไปถึงความแตกต่างทางการเมืองด้วยเราไม่เคารพความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างไม่รสเปคเขา ไม่ยอมรับไม่ชื่นชมไม่อดทนไม่เทอร์เรนซ์กับฝ่ายค้านใครจะค้านก็นไม่ได้ใครจะเห็นต่างก็ไม่ได้ขนาดเรามาโฆษณาว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกตีกันตุบตุบมันไม่มีทอร์เรนซ์ไม่มีขันติธรรม เคยใช้คำนี้ไหมว่าเถียงกันเทียบตายเราก็บอก we agree to disagree จับมือจากกันตกลงที่เราจะไม่ตกลงกันเราเห็นไม่ตรงกันนั่นแหละคือสันติเถียงกันพอแห่พอแหกแค่เป็นต้นตายลงท้ายไม่มีใครเอาชนะเดืองอีกฝ่ายนึงเห็นด้วยกับ we agree to disagree เรายอมรับว่าเราเห็นไม่ตรงกันนะเดินโดยพลทางก็ทางนะทางเสือเสือเดินทางหมาหมาเดินไป ใครเสือใครหมาก็ว่ากันสิใช่ไหมอันนี้มันก็ยังดีเขาเรียกว่าถ้าเมืองเราเนะเป็นอย่างนั้นเมื่อไรนะ่ยเราไปเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยมันจะมี freedom of expression ใครเห็นต่างกันก็ได้ไม่ใช่มาพูดได้าจตในห้องประชุมอยู่ข้างนอกกันยิ้ม วันนี้ถ่ายทอดอีกมันจะหาเรื่องแท้ๆเลยนะได้ไม่เป็นอธิการแล้วพูดได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ freedom of expression เนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกมันจึงแสดงถึงขันติธร t o ท e r ร n c ์ แล้วถ้าเราทนคนที่พูดต่างจากเราได้คิดต่างจากเราได้นยมันก็คือเป็นธรรมะที่มีธรรมะที่เป็นพื้นฐานของสันติเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนคิดเหมือนกับเราได้ก็ยอมรับสิ ในอียิปต์ไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นมุสลิมได้แต่เขาก็อยู่กันได้นี่คือตัวอย่างเราบอกว่ามุสลิมมักจะหหดรแรงแต่เราไปอียิปต์ดูไม่ใชม่มีรูปนะไปจริงนะเนี่ยไปพบกับ pope of Egypt อายุ80กว่าเนี่ยอยู่ตรงนันแปลกใจมากว่า ในอียิปต์ซึ่งเป็นดินแดนเ็าเรียกว่าศูนย์กลางศาสนาอิสลามมีคริสศาสนาสนิกชชนได้หรือมีสิบเปอร์เซ็นของพลเมืองอียิปต์เป็นคริสแปดสิบกว่าล้านเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตปคริสก็ถามโป๊ท่านเนี้ยว่าคือถ้าเข้าใจอย่างนี้นะที่เรียกโป๊เนี่ยเพราะเป็นนิกาย g r e e อ Orthodox ในเหมือนซึ่งอ ho ์ o ท ดังเดิมก่อนไปอยู่ที่กรุงโรมอย่างลัสเชียนออร์ทอดอก์อะไรต่างเนี่ยเขาจะมีโป๊มของเขาเองไม่ขึ้นกับวาติกันเพราะเขาถือว่าเขาเติบโตเป็นศาสนาทิศก่อนที่มีการสถาปนาโป้มที่วาติกันเขาก็ปกค ร, รองเขาเองในดินแดนอียิปต์ก็ถามโป๊กว่าในอียิปต์นี่มี คริสต์อยู่ด้วยเหรอเขาบอกมีมาก่อนมุสลิมอีกดินแดนตรงนี้เคยเป็นดินแดนที่ชาวคริสต์อยู่มัก่อนแล้วค่อยมาคอนเวิร์ตเปลี่ยนมาเป็นอิสลามเขาก็อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วถามว่าถามว่านี่พบพบป๊อบ แล้วอยู่กันอย่างนี้นี่ไม่ทะเลาะกันบ้างหรอ <c oughs> เพราะนี่เป็นศูนย์กลางอิสลามคืออียิปต์เนี่ยจะมีแกลนอิหม่ามออฟอันอาสนิกายซุนนีเนี่ยนี่คือแกลนอิห ม, ม่ามเป็นประมุขของอิสลามนิกายซุนนีจำนวนพันล้านทั่วโลก เหมือนวาติการเป็นศูนย์กลางของคริสต์โรมันคทอลิกแกรมแกรอิหมากอันอสาสาเนี่ยเป็นประมุขใหญ่สุดของอิสลามทั่วโลกรวมทุกภาคใต้ไทยแล้วศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่อันอสาสาเนี่ยคนเนี่ยเดีย๋ยวนี้ท่านสิ้นไปแล้วเปเจราจากันนะไม่ธรรมดาเ น, นี่ยนี่สติภาพนะผิดสัญยร์นะ เอมีภาพแสดงด้วยไปจริงไม่ได้เอาผลงานลูกน้องมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เอกอัครยุทธ์ไทยนะเนี่ยเอกอัครยุทธ์ไทยที่อียิปต์นั่งสนทนาทำไมดินแดนของ อิสลามเซ็นเตอร์ใหญ่เนี่ยจึงมีคลิปอยู่และก็ถามว่าไม่ขัดแย้งกันบ้างไหอไม่รุนแรงบ้างไหมโป๊บท่านก็นบอกว่ามีบ้างธรรมดาแต่เวลาจะทะเลาะกันผมก็ยกโทรศัพท์ตัวโป๊กมาเ น, นะไปคุยกับแกร์อิมาห์คนหน้าใหญ่เขาอีกฝนะ่ายน่ปรับความเข้าใจกันแทนลูกน้อง มันก็ยุติความขัดแย้งเมื่อประมุกต่อประมุกคุยกันแล้วเราคุยกันรู้เรื่องเพราะเราเป็นคนอียิปต์พูดภาษาเดียวกันโ อ, อ้จริงเนาะเมื่อหัวหน้าหัวหน้าจับมือกันคุยกันลูกน้องก็หยอกอันนี้ไปแล้วไม่ไปเปล่านะไปถามเขาด้วยนะอะมาถึงตรงนี้บ่ะนี่ถามเลย ท่านก็เป็นใหญ่อยู่ในอียิปต์อิสลามเป็นเสียงครับพุบทธศิลปเป็นเสียงคั้งมากทำไมทนต่อการมีคริสศาสนาสนิทเกิดชนอยู่ในเด็กท่านทําไมไม่คิดจะคอนเวิร์ตเปลี่ยนคริสเหล่านี้ให้มาเป็นอิสลามให้หมดเหมือนในบางประเทศไล่คนออกนอกจังหวัดอะ่ะไม่รู้ประเทศไหนนะ เออเธอไมทนอยู่กันด้วยกันน่ะแกนีมั่งตอบว่าพระอัลลอไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นพระอัลลอคือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประสงค์ว่าคนทุกคนในโลกต้องเป็นมุสลิมาศาสนาไหนก็อยู่ร่วมกันได้ โดยมีบทบัญญัติในอันกุร่าอนุญาตให้คนนับถือศาสนาต่างกันและท่านก็นอ้างความเป็นนักการศึกษาก็มาเปิดดูเลยไอ้ที่อ้างเนี่ยจริงป่ะเออจริงแฮะนี่บทที่ห้าข้อที่ห้าสิบเอ็ด ถ้าไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ากลับมาเนี่ยหาเองความอยากรู้ว่าจริงไมมจริงฉบับภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างนี้ถ้าพระอัลลอฮ์นะ has so will ประสงค์ให้คนทั้งหมดในโลกนี้นับถือาศาสนาอิสลาม h ี He ก็คือพระอัลลอฮ์ would have made you all one single religious community พระอัลเลาะห์จะสร้างมนุษย์ให้นับถือพระอัลเลาะห์มาตั้งแต่เกิดเพราะท่านเป็นคนสร้างโลกอะ่ะพระเจ้าอะ่ะพระเจ้าสร้างโลกคือพระเจ้าในาศาสนาพิธีิาลาเนี่ยสร้างโลกเหมือนกันหมดแล้วสร้างมนุษย์ด้วยเมื่อเมื่อเราทําคอมพิวเตอร์สมมุตินะฮาร์ดแวร์เนี่ยเราเราเป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ทำไมเราจะใส่ซอฟต์แวร์ให้มันมีแต่โปรแกรมอาหารขั้นสาไม่ได้เออให้นับถือแต่องค์นี้สิใช่ไหม พระพเจ้าสร้างสร้างมนุษย์มาก็ใส่โปรแกรมในหัวสิบูชาอ ย, ย่างอื่นไม่เป็นหมูแมวไม่แต่บูชาบูชาแต่พระเจ้าทำได้แต่ไม่ทำเพราะอะไร but he will it otherwise พระองค์ประสงค์อย่างอื่นก็คือให้คนนับถือได้หลากหลาย in order to taste You by whatever l i v e r a t i o n ก็คือเพื่อที่จะทดสอบดูว่าพร้อมที่จะนับถือพระเจาะ้าพระลอัหมให้มีฟรีวิวให้เจตจำนงเสรีในการเลือกว่าจะนับถือศาสนาอะไร He has given you ก็คือให้พรมาแล้วแต่ว่าคุณจะมีเจตจำนงเสรีไปเลือกศาสนาไหน So strive you as in race with one another In all w i r d u o u s a d good words เพราะฉะนั้นทุกคนก็เลือกเอาสิจะนับถือศาสนา็แข่งกันทําความดีในเมื่อพระอัลละฮพระผู้เป็นเจ้าเองก็ให้สิทธิเสรีภาพกิจจำลงเสรีแล้วเราเป็นใครที่จะไปฟอสบังคับให้คนมานับถือศาสนาเดียวนี่คือท o l ์ r a n c e ไหมเคารพคำของ พระอล่ด้วยแล้วเคารพเจตจำนงเสรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยว่าเขาจะเลือกเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามนี่คือท่านแกรนิมารนี่นะจากนั้นก็ไปเยี่ยมประมุขของอียิปต์ชื่อแกรนมุตติออฟอียิปต์นะคือท่านนิดแล้วก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของ โลกอิสลามคือมหาวิเลยอันอัศะสร้างมาพันสี่รอปีเมื่อยูเนสโกทาหนังสือมาถึงมหาจุฬาเพื่อเปิดพุทธศินสมัยโนโ 20, 20้ตยกว่าปีมาแล้วบอกว่าเลือกมหาจุฬาเพราะมหาจุฬานั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาโลกศาสนาเช่นเดียวกับมหาวิเลยอันอัศะเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลาม ฮอลลีวูดเวลาที่จะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับอ mm ิสลามจะต้องส่งให้ครูบาจารย์ที่อันอศสาเช็คต้นฉบับก่อน mm hmm. เป็นออเอริตี้จึงได้ไปถามอธิการบดีท่านนี้ไปคุยกันอีกแหละแส่ไปทุกเรื่อง <laughs> ว่าทำไมรัฐบาลไทยเนี่ยชอบให้ทุนคนไทยมาเรียนที่เป็นนักศึกษอิสลามเนี่ย มาเรียนที่มหาวิทยาลัยของท่านเป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลไทยรับรองและเชื่อมั่นด้วยว่าเรียนจากมหาวิทยาลัยนี้กลับไปเมืองไทยจะไม่หัวรุนแรงรัฐบาลยึงส่งเสริมแต่ไม่ไปไปก็หรอกไปมหาวิทยาลัยอื่นที่เรียนจบมาแล้วหัวรุนแรงต้องถามอีกท่านมีวิธีสอนอย่างไรถึงประกันได้ว่า ผู้เรียนกับท่านไม่โหดรุนแรงอาธิการบดีก็ตอบว่าเวลาที่มาเรียนเรื่องศาสนาอิสลามคือคัมภีร์อันบุรานเนี่ยเรียนพระคัมภีร์เนี่ยทุกคนก็มีพระคัมภีร์เป็นหลักเหมือนกันแต่อินเทอร์พิเทชันการตีความมันมีหลายแบบเราเรียกว่าคอมเมนต์รีอัตถกฐาเนี่ย แบบอนุรักษ์นิยมก็มีคอนเซอร์เวทีฟแบบริบอิลลก็มีแบบกลางกลางก็มีใครเรียนแบบคอนเซอร์เวทีฟอนุรักนิยมดีไม่ ด, ดีก็ไปติดด็อกมาติกพวกยึดคำพีกลายเป็นพวกหัวรุนแรงเรียนแบบริบอิลลก็เป็นฝรั่งจ๋าไปอีกทิ้งรากเน่าของอิสลาม เรียนแบบกลางๆก็ผสมผสานได้ดีแต่มันแบบไหนดีที่สุดสามแบบบางประเทศเขาเรียนแบบนี้บางประเทศก็เรียนแบบนี้บางประเทศแต่ที่มหาวิทยาลัยของเราเราถือว่าเด็กมีเมทัลลิริตี้มีวุฒิภาวะแล้วให้เรียนมันทุกแบบเลยแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบรักนิยมก็เรียนแบบรีบร้อนก็เรียนแบบแปลง แล้วคนที่เขามีวุธิภาวะเนี่ยเขาหาจุดกึ่งกลางเขาคิดเองได้เราไม่ได้ครอบนำถ้าไปชี้นำอยู่อย่างเดียวมันก็จะไปทางเดียวจะแอนตี้ฝ่ายไหนก็พูดอยู่แต่ฝนะ่ายนั้นแต่ถ้าให้คนที่เขามีวุธิภาวะเนี่ยเขาได้เข้าถึงในด้านหลากหลายเขาจะรู้เอง อะไรคือสิ่งที่เหมาะที่ควรซึ่งตรงนี้แหละมันคือการป้องกันความขัดแย้งทางความคิดเราเรียกว่าถ้าเราได้ศึกษาได้หลากหลายเนี่ยมันจะไม่หมูรรุนแรงทําไมมหาจุฬาจึงมีลักษณะที่ปลอดลัยต่อมหายาณและเทระญาณเพราะเราให้เรียนหมด เราไม่ได้ไปบอกว่าใครดีกว่าใครในขณะที่ท่านก็ยังยึดหลักเถระว่าของเราเนี่ยเราจะบอกว่าอันไหนคือของเราอันไหนคือของเขาเราไม่ได้ครอบงมโฆษณาว่าต้องมหายานเท่านั้นดีเลิศเทโลวะเท่านั้นดีเลิศวัชรญาเท่านั้นดีเลิ ศ, ศไม่มีให้เรียนหมดนี่คือลักษณะของมหาจุฬา ทำ CBT ก็ CB เพื่อวัตถุประสงค์นี้ Common คอมมอนบุติเทคส์ถ้าใจไปดกเหเรวาดมหาอย่างนี้คุณอ่านเองแล้วคุณรู้เองอะไรดีไม่ดีระดับมหาวิทยาลัยแล้วมันไม่ต้องไปครอบงากันไม่ต้องไปล้างสมองกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะไม่มีการโจมตีอันนี่เป็น ทีนยานมหายานอนัญยานใหญ่ย า, ยยาเล็กเข้าคนเข้านิพพานมันไม่มีแล้วไม่ต้องมาโฆษณาชนเชื่อแล้วโลกยุคปัจจุบันนะมันจะมีการเ p e c t แม้จะต่างนิกายต่างศาสนาต่างความคิดการยอมรับความแตกต่างและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันนี้มันคือนโยบายที่เซตเอาไว้แล้วไม่ว่าเราถึงได้ประชุมวิสาขะโลกได้มาสิบห้าปีด้วยท่าเทียันี้เพียงแต่ไปพบที่โลกอาลามก็เพียงคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราทำนี่มันถูกตัดทำไมมันจึงเกิด ความขัดแย้งเพราะศาสนาในปีคศออ2000ได้ไปไประชุมกันที่ UN ที่นิวยอร์กนำพระไทยไป15รูปเราประกาศในจ o ย m อมมิเนคในแถลงการร่วมว่า n นโม r อล n ินเนปเป p u ์บริวช i o n อย่าให้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแยง้งตอนนั้นโควิดนันเนเลขาธิการวันนี้เห็นคาเขาเสียชีวิตแล้วคาพูบอกเขาเขาอยากจะให้ผู้นำศาสนาอยากไปยอมให้มีสงา์ในนามของศาสนาใครอยากจะลบใครอยากจะตีกันแบ่งอำนาจแยกดินแดนแต่คุณอย่ามาอ้างอิสลามอย่ามาอ้างคุ ณ, คณโลก คุณบ้าอำนาจคุณก็ทำไปแต่อย่าดึงศาสนาอันบริสุทธ์มาเป่งเครื่องมือเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาเนี่ยมหาจุฬาจึงประกาศจุดยืนว่าไม่ยอมให้เอาพุทธไปชนกับศาสนาอื่นในเพื่อเพื่ออุดมการเพื่ออะไรเพื่อความโลกทางการเมืองอานาจของคุณในประเทศนี้เรายืนหยัดตรงนี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นประเทศเราจึงแม้จะมีความขัดแย้งแบ่งแยกดินแดน เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องพุทธกับมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะไม่ต้องการหลวมตัวไปเป็นเครื่องมือของผู้นักการเมืองผู้ต้องการอำนาจแล้วใช้ศาสนาเป็นเครื่องมืออันนี้เราต้องเข้าใจต้องถัดด้วยและมหาจุลาก็ไม่ยอมให้ใครเอาศาสนานี่ไปเป็นเครื่องมือในการาหาอานาจการเมืองไม่ว่าการเมืองที่ไหนอย่างไรก็ตามศาสนาก็คือศาสนา จะแฝงมายังไงเราก็ไม่ยอมใครจะขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นกรรมการดีกว่าดีกว่าลงไปเป็นกลุ่มผลประโยชน์และคอยเตือนสติสังคมและถ้าทุกศาสนาเนะี่ยรุบน้องทะเลาะ ก, กันแต่พูดนาเหมือนกับยี่สิบอ่อะคุยกันได้ยกหูคุยกันมันจะลดความรุนแรง ไปเยอะเลยเมื่อกลับจาก UN เมาจึงมาตั้ง world council of religious leaders Re ในปีคศสองพันสองมหาจุฬ า, าเป็นเจ้าภาพจักที่ UN ESCAP เราบนเวทีท่านจะเห็น นี่รับใบของชีพรับใบของผู้นำศาสนายิวอิสระอิสราเอลนะมุสลิมอะไรต่างอย mm ู hmm. ่บนเวทีเดียวกันด้วยซึ่งสภาผู้นำศาสนาโลกเขาก็ไปไประชุมเมืองขกันต่อไปแต่หลังจากนั้นในปีสี่ห้าปีสี่เจ็ดเราก็มาทำวิสาขะาโลกแทน ในในเรื่องแรกจบนะอันที่สปงปะหานะประฐานถ้าไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเราแก้อย่างไรเป็นเมดีเเตอร์เป็นคนกลางไก่เกลียรหรือเป็นใช้ลีดิจเซฟโรเมซีศาสนทูตเข้าไปเจรจาทั้งสองฝ่าย ไปเกลียวก็ออกมาประชุมร่วมกันแล้วก็ยุติความขัดแย้งหรือส่งผู้แทนอะไรต่างไปทั้งสองฝ่ายไปคุยกันเพราะเขาจะเชื่อถือแก้ไขความขัดแยง้งการที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้เนี่ยท่านจะต้องเข้าใจว่าแต่และฝ่ายเมื่อขัดแย้งต้องการชัยชนะ การเอาชนะกันเนี่ยมันมีหลักๆก็สามวิธีเรียกว่าชนะด้วยกำลังเป็นสงครามวิชัยฝ่ายที่ขัดแย้งก็ต้องถ้าต้องการสันติภาพถันก็เอาชนะให้ได้ด้วยกำลังอย่างเช่นพระเจ้าโสกมหาราชได้ชื่อว่าจันดาโสกฆ่าเรียกเลย ถ่าคนกระลิงคาแพงกะลิงค่าไปเป็นแสงขนชนะด้วยสงครามมันก็เกิด ค, ความสงบหละแต่เขากลัวอีกแบบห น, นึ่งชนะด้วยของกำนันเ้าเรียกว่าด้วยแครอทเอาเอาเอาอะไรเอาเศรษฐกิจเข้าไปไปซื้อนะเงินเอามาเป็นพวก การค้าโลกเนี่ยมันช่วยตรงนี้ทาให้เป็นพวกเดียวกันแต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์มันก็เกิดสงครามการค้าตอนนี้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ ก, กับตุรกีทำให้ทองราคารทองร่วมอย่างมากนี่ก็คือฝ่ายหนึ่งพยายามพยายามเอาชนะด้วยเศรษฐกิจ เอาชนะด้วยกำลังเอาชนะด้วยศสกิจซึ่งมันก็มีอยู่นะเราถึงเรียกว่าสงครามการค่าเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นคือธรรมวิชัยเอาชนะด้วยธรรมพระเจ้าอโศกตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยเอาคนที่อยู่คนละขั้วมาเป็นพวกเดียวกันด้วยไอเดียแวลูส์ยึดถือในเรื่องคุณค่าเดียวกัน เอาศีลการมาเป็นพวกโดยส่งออกสมณทูตมานับถือพุทธศาสนาด้วยกันก้าสายส่งทูดไม่ใช่สมณทูตทูดทั่วไปไปยังกรีกไปยังเปอร์เซียอะไรต่างเพื่อให้มีความเขาเรียกว่าสั้นมิตรภาพมิตรภาพก็คือร่วมไอเดียร่วมความคิดเดียวกันไว้วางใจกันเอาแวลลีเดียวกัน คุณค่าเดียวกันมันก็จะไม่ไม่ทะเลาะกันถ้าถือไอเดียคนละอย่าความคิดคละอย่างคุณค่าคนละอย่าเหมือนเหมือนนาซีอ่ะนาซีกับโลกเสรีก่อสองครามโลกครั้งที่สองนาซีนี่ชูคุณค่าของเผ่าอารยันเผ่าอารยันคือเผ่าเยอรมันเนี่ยนะดีที่สุดค่ายิวไปหกหลังคน ยังก็ไม่ใช่มนุษย์มันก็นำไปสู่สงครามวิชัยอามสวิชัยเพราะฉะนั้นวิธีเอาชนะถามว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่องข้อหนึ่งข้อสองมันนำไปสู่ความรุมแรงทำแบบพระเจ้าโสบมหาราชคือชนะด้วยมิตรภาพด้วยธรรมะด้วยความดีซึ่งเป็นพุทธวิธีการเอาชนะมันจึงมีสี่แบบ ประเภทที่เราชนะเขาแพ้เ้าเรียกว่าอัตราธิปไตย win lose ยังไงเราต้องชนะเขาต้องแพ้ในการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่ อ, อยกติความขัดแย้งเนี่ยถ้าเป็นกรณีพิพาทเป็นน้ำโลหิีเนี่ยใครจะได้น้ำทั้งหมดคนนั้นเป็นอัตตาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งเสียหมดมันต้องแบ่งโลกาทิปไตยก็คือยอมให้มันสงบ เรายอมแพ้เขาชนะมันก็ไม่นำไปสู่สันติภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองข้อเนี่ยมันไม่มีความขัดแยง้งเพราะมันยุติเพราะอีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแพ้สันติภาพมันต้องอยู่บนฐานของการลงตัวที่เรียกว่าวินวินอีควิลิเบียมวินวินซิจิเอชั่น แต่ไม่ใช่ได้เท่ากันนะแต่อย่างน้อยอีกฝ่ายหนึ่งต้องได้ด้วยอย่าไปกินรวบอย่าไปกินเรียบในการเจราจาในการยุติความขัดแยง้งจะต้องมีที่เหลือให้ขอบ้านเราเรียกว่าทำมาธิปไตยวินวินมันจึงจะเกิดสันติภาพถ้าคุณชนะรวบไปเลยคืออาตาัตราธิปไตยมันอยู่ใ้ช่วงรลาว เดี๋ยวมันก็ประทุกซึ่งถ้าไม่มีสามข้อนั้นนั่นจะนำจะนาไปสู่อนาคีก็คือตีกันวอดวายอันนั้นก็คือความขัดแย้งทวีความรุนแรงฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อสี่นี่เรียกว่าเป็นชัยชนะของความขัดแยง้งส่วนชัยชนะของความสงบจะอยู่ข้อหนึ่งข้อสองแต่ไม่ใช่สันติภาพถาววถ้าสันติภาพถาววต้องเป็นข้อสามวินวิน ในการเจราจาเพื่อยุติความขัดแยง้งแต่ละฝ่ายจะต้องได้ในทางพุทธศานเรามองการทามาธิปบตัยเป็นวิพัฒชวว่าคือมองหลายมุมมองมุมเดียวมันจะสุดโตก แล้วอาจจะเสียเรื่องนี้แต่ให้ต้องได้เรื่องหนึ่งเ้าเรียกว่าวิพัฒชวาาวิพัฒชะแปล ว, ว่ามองหลายมุมมันไม่ใช่ได้ทั้งหมดไม่ได้เสียทั้งหมดไม่ได้แพ้ทั้งหมดไม่ได้ชนะทั้งหมดในการยุติความขัดแยง้งต้องเป็นวิพัฒชวาาเอกังสว่าก็คืออย่างนี้เท่านั้นถูกต้องเอกังศาสตร์คือองศาเดียวใครถูกใครผิดชี้ไปหมดเลย ไม่มีสีเทาอย่างนี้เขาเยเอกกนสว่านแต่ในความขัดแย้งเนี่ยมันไม่มีใครใครที่จะไม่ไม่มีความรุแมนแรงบางทีก็ไปด่าเขาก่อนไอ้นี่ก็ต่อย ก, กลับมันก็เพราะฉะนั้นคุณก็ผิดทั้งคู่คุณก็ถูกทั้งคู่ในการไก่เกีในการเจรจารเนี่ยไม่ใช่ว่ายกให้อีกฝ่ายนึงชนะไปเลยเนาะแย่งกันเป็นจเจ้าวาด ยกให้เขาไปเลยอย่าพูดดีกว่ามองมุมเดียวมันจะเหมือนตาบอดํำช้างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าคนตาบอดแต่กำเนิดพระเจ้าแผ่นดินเอามาให้ขำช้างเงนคนและจุดคนละได้ คำขาก็เหมือนแล้วก็บอกว่าช้างเป็นอย่างนี้คำงวงก็บอกช้างเป็นอย่างนี้คําใบปูก็อย่างนี้ตัวก็อย่างนี้หางก็อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันนั่งสัมมนาคันตาบอดจะไม่มีการตกลงกันเลยว่าช้างเหมือนกันใครคําขาก็บอกว่าช้างเหมือนเสาคาหางก็เหมือนไม้กวาดนี่เหมือนยุ้งข้าว เ, เหมือนกระโดงเหมือนอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรา เปิดตากว้างมองโดยรอบด้านเราจะเป็นวิพัชวาชาตะมองหลากหลายแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันไอ้ที่คุณว่าถูกว่าใช่เนี่ยเพราะคุณมองแคบมองด้านเดียวมองมุมเดียวมันจึงไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างการที่เราจะมีทอร e เรนซ์เนี่ยเราจะต้องมองว่าเออจริงเนาะถ้าคุณมองอยากมองมุมแล้คุณมันก็มีสิตใช่นะแต่คุณน่าจะมองแบบนี้บ้าง น, นะ แล้วมันจะจูนหาจุดตึงต่างเองลองให้ดูทีวีอยู่ช่องเดียวสีเดียวสิไอ้ฝ่ายนี้ก็ดูแต่ช่องนี้ฟังแต่คนนี้มันตีกันทั้งประเทศลองให้มันดูทั้งหมดเนี่ยมันไม่นำไปสู่ความขัดแยเพราะว่ามันเป็นความหลากหลายเป็นวิพัวนาว ฉะนั้นถ้าทีในพระพุทธศาสนาโดยโดยตรงเนี่ ย, ยมันนำไปสู่สันติภาพทั้งในเชิงโลกธาัุด้วยถ้าสอนวิพัชชวาดนะก็จะไม่เกิดความขัดแยง้งตอนสร้างมหาจุฬาเนี่ย มันจะมีรถเนี่ยวิ่งอยู่ผ่านหน้าเราเนี่ยจะกลับรถต้องไปยูเทนกลางกลางถนนพหานโยธินเนี่ยนะถนนใหญ่เลยเป็นนี้มันมไม่ไมีด้รูปให้เขาถ่ายรูปมามันไม่ได้เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ดูแค่นี้ก็เลยไปทำเรื่องของงบประมาณแผ่นดินมาจากกระทรวงคมนาคมมาทำทางกลับรถเกือบมา เลยของเราไปประมาณกิโลที่ใช้อยู่ทุกวันพอกระทรวงทางกรมทางมาตั้งฐานเพื่อจะสร้างทางกับรถชาว บ, บ้านแห่กันมาขูว่าถ้าขืนสร้างตรงนี้จะเผาเครื่องจักรให้หมดไม่เห็นสัง่งก็เลยขอให้ท่านผู้ว่าตอนนั้นเป็นท่านผู้ว่าวิทยา ช่วยเจราจารกับชาวบ้านท่านผู้ว่าก็นับกลุ่มขัดแย้งเนี่ยไปที่จวนเราก็ส่งรองอธิการบดีไปเป็นผูแ้แทนมีไปอยู่สองคนไม่มีใครไปไประชุมกับผู้ว่ายุยติความขัดแย้งไม่ได้ผู้ว่าก็เลยบอกว่าให้พระห้ามกันแล้วกันทรงคืนมาที่อธิการบดีท่านท่าน ทา่านกระทรวงคมนาคมบอกว่าท่านต้องสร้างไม่สร้างเขาองค์คืนนะสร้างไม่ได้มันจะเผาอ่ะอก็เลยถามว่าจะมีจะทำยังไงดีเราต้องไก่เกลี่ยกรณีพิพาทเป็นความรุนแรงเรียกประชุมทั้งหมดมาที่ห้อง401อาธิการนั่งเป็นประธาน หายมาไห น, นกับพระก็ไป ม, มีสักองค์หนึ่ง <c oughs> ลุ้นอยู่ข้างนอกกันอธิการบดีต้องห้ามทับมีมีพระช่วยประสานงานอยู่องค์เดียวที่เดินไปเดินนอกนั้นอธิการบดีดําเนินการไกลเกลี่ยในกรณีของความขัดแยง้เงเหตุของความขัดแย้งมาจากตามหลัก ที่เล่ามามหาลิธานสุการยึดมั่นการเสวงหาลากอะไรต่างคือฝ่ายค้านบอกว่าการที่มากลับรถตรงนี้เนี่ยมันกลับเร็วไปทำให้ไอ้ที่เลยไปเนี่ยพวกร้านอาหารพวกปั๊มน้ำมันเสียผลประโยชน์ควรจะไปอีกสองสามกิโลนแล้วหมู่บ้าน เลยไปในี่เยอะเลยคนอยู่จำนวนมากควรจะเลยหมู่บ้านนั้นไปอีกเพื่อให้กลับรถได้ไม่ฉะนั้นไม่ยอมเผาลูกเดียวและเคยเผามาแล้วด้วยในถนนเส้นนี้มันจึงสร้างไม่ได้ทักทีก็เรียกมาก็ฟังแต่เราฝ่ายฟังทั้งสองฝ่ายส่วมากจะมีฝ่ายเดียว ฝ่ายไม่ให้สร้างอะไรให้ย้ายไปก็อธิบายให้เขาฟังทำไมจึงสร้างตรงนี้ไม่ใช่เพราะฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มของคุณไปขอเลยเขาเข้าใจผิดฝ่ายฝ่ายตรงข้ามทางธุรกิจเนี่ยเขามีร้านอยู่แถวๆตรงที่ลงพอดี และเขาไปเข้าใจว่าไปของบมาเพื่อเอาใจไอ้ทางรัฐบาลเอาใจกลุ่มนี้ไปตัดผลประโยชน์ฝ่ายคู่แข่งทางธุรกิจนี่คือความเข้าใจผิดเราต้องเคลียร์บอกอันนี้ไม่ใช่กลุ่มที่คุณขัดแย้งกันเนี่ยไปขอมาเลยเป็นเรื่องของพระพระจัดงานประชุม วิสาขาโลกเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกผู้หลักผู้ใหญ่มาเช่าไหนมาม า, มากับรถแล้วเกิดดูบัติเหตุตรงนี้มันคุ้มไม่มันเสียชื่อประเทศไทยนะใช่ๆ ช, ช, ชแล้วนิสิตมหาจุฬาเนี่ยจะต้องเข้าออกเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เห็นแกนเด็กตาดำๆอย่างนี้มึงเลยนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้จริงนะจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นพอพูดไปเรื่อยๆกล่อมไปเรื่อย เหนเขาลดท่าทีลงขอบิณฑบาตกันแล้วกันงานนี้ให้พระเถิดสร้างตรงนี้เพราะถ้าไปไกลมันก็จะเกิดอุบัติเหตุห น, น้ามหาวิไลจักวิสาขาโลกก็ไม่ได้ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบมีคนหนึ่งยกมือคันไม่หรอกรับผมใส่บาตรทุกวันแต่วันนี้ผมไม่ใส่ครับ ทะลุการป้องแล้วก็มีคนลุกคุยสองเทนปดไม่ไม่ใส่จะตอบอยังไงไปขอแล้วเขาไม่ใส่เขาเรียกวงแตกแต่เดี๋ยวนั้นเลยนะ ถามกลับไปตรงๆถามคนที่ไม่ใส่บาตรคุณเป็นผู้แทนกลุ่มไหนหมู่บ้านใดแทนที่จะบอกว่าใส่บาตรกลับถามเราว่าคุณเป็นผู้แทนกลุ่มไหนอยู่หมู่บ้านใดเขาอึอากอัดอึกอัดเพราะส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านเท่านั้นคุณ้ชเขาก็เลยตอบปั้มน้ำมันครับพอบอกว่าปั๊มน้ำมันอ่ะชาวบ้านเฮโลกันเลย คงเป็นกลุ be, ่มธุรกิจมายุ่งอะไรนี่มันชบ้าประชุมกันไม่ต้องชาวบ้านเขาจัดการเงียบไปเลยก็เลยสร้างได้มาจนแบบนี้ในขณะที่เจรจาเราจะต้องอดทนอย่างยิ่งฟังทุกฝ่ายเป็นวิพัชชวบามีขันติเข้าใจความรู้สึกแต่ไม่ได้วินชนะ กินรวบเพราะชาวบ้านเขาก็ฝากไว้หนึ่งขอให้คงที่กลับรถที่เลยไปอีกเอาไว้ด้วยไม่ใช่เพราะสร้างนี้ปิดที่กับรถที่เลยไปเพราะเขาต้องใช้เจราจารได้ไหมให้เราเจราจารการะทรวงคมนาคมได้สองช่วยพัฒนาถนนเรียบคลองเนี่ยเลยไปข้างใน ให้เขาได้ใช้ ใ, หในหมู่บ้านเรียกพรอมทุกวันนี้เรารับปากแล้วเราก็ทําเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปกลับรถตัวเ ข, เข้ามาจากถนนอเชเขาก็วิ่งเดี๋ยวนี้รถบรรทุกแถมเขาม <c oughs> ีอีน่ะเออหน้าปัหาวิเลัยเราเนี่ยนั่นแหะเป็นผลเราไม่ได้ไม่ได้ได้กินรวบฝ่ายเดียวรับปากเขามาเราก็ทําแล้วก็ให้เขาบา้าง มันก็กรณีสะพานมันก็ยุติโดยที่ในมหาวิลัลก็ไม่รู้ว่าอธิการบดีเนี่ยเข้าไปทำอะไรที่เพิ่งมาเล่าให้ท่านฟังจำไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคำว่าชนะเลยนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้เนี่ยในพจนานุกรมฉบับแรกพิธานเนี่ย มันยังไม่พอมันต้องมีธรรมะยินยอมไม่ขัดตกลงทําตามเขาไม่ได้แพ้ที่เราได้มาเนี่เราเป็นฝ่ายชนะเนี่ยแต่เขายินยอมเพราะหนึ่งเขาได้ยางอ่นตอบแทนหรือเขาชอบเราโยนอยู่อันจบอย่างเราไปซื้อต่อรองราคากับแม่ค้าเนี่ยเราต่อเยอะเลยเนี่ย เขาขาดทุนแต่เขาขายอ่ะเพราะเขาชอบเราอย่าไปนึกว่าเราชนะเขายอมให้ตันทะเวลาคนทะเลาะ ก, กันสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันจบและยอมกันเพื่อให้ส่วนรวมอยู่ได้ชนะเจงหมายถึงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอม กโกเทนะชินโกทันชนะความโกรธ ด, ด้วยกานไม่โกรธตอบเมื่อท่านไม่โกรธตอบท่านอาชนะใจเขาได้เขารักท่านมันก็จบอัสาทุงสาธุนาชินชนะความชั่วด้วยความดีนี่คือพุทธวิธีในการเอาชนะ convince จงใจให้เขายินยอมไม่ใช่เอาชนะเอาเป็นเอาตาย ไม่เหลือที่ให้เขายืนไม่เหลือศักดิ์ศรีไม่มีอะไรมันจึงเป็นวินวินเนี่ยแล้วอาจจะชนะตรงนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องให้เขาได้อะไรบ้างในการเจรจาอยากกินรวบเราจะต้องเป็นวิพัชชววัเมื่อเกิดความขัดแย้งในวันในในประเทศไทยปีห้าสายกทัพกันมาที่ถนนราชดำเนิน เกิดเสียงเรียกร้องโดยคณะ ก, กรรมการสิทธิทมนุษยชนให้ผู้นำศาสนาไปช่วยเตือนสติ followers ของตัวเองในฝ่ายอิสลามก็ได้รักษาการจุฬาราชมัรีจากนัานในฝ่ายคริสต์ก็ได้ท่านคนนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นคาดินานแนะท่งเตียนสันเป็ น, ปนปรมุกสมศักดในฝ่ายพุทเกิดเนี่ยเขาไม่ส่งท้ายหลักเขาเนี่ย มีเรื่องแล้วก็องเงี้ยเราก็ไปเตือนสติทีวีทุกช่องมาถ่ายลงขึ้นหนังสือพิมพ์ลงก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เขาจะฟังไม่ฟังก็ทำนี่ก็คือตัวอย่างของออการประหากประฐานที่ทำ เมือ่อหลังจากนั้นก็พบกับโปเฟสเซอร์ อ, นน อ, อ, อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ที่ได้รางวัลโนเบลด้านสันติภาพมาคุยกันเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทยหลังจากนั้นที่มันต่อมามันก็ลุกลางไปเรื่อยๆจนเอาหลายๆฝ่ายมาพูดคุยกัน แทนโผเฟียนะอ่ะเอกรณีหนึ่งอ่ะไม่มีใครเสียบไฟให้ช่วยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอีกกรณีหนึ่งเนี่ยคือการสลายความขัดแย้งที่มีมีผลอย่างยิ่งต่อโลกของชาวพุทธถ้าไม่สามารถแสสลายความขัดแย้งอันนี้เนี่ยวิสาขบูชาโลกตื่นไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่เราจัดวิสาขาบูชาโลกมาทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าได้สลายความขัดแย้งที่สำคัญที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือดูวันที่ก็จะเห็นว่าเราจัดวิสาขาบูชาโลกสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดมาปัจจุบันเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราจะเตรียมการ ล่วงหน้าเตรียมการว่าจะจัดวิสาขบูชาโลกได้อย่างไรปี2547ปี24มหาจุลาได้จัดการสัมม น, นานานาชาติระหว่างเทราวาสมหายานขึ้นเพื่อการนี้เปิดที่พุทธมนตรจะเห็นว่าเป็นเทราวากับมหายาลคอนเฟน์เนี่ย ี่พุทธมนตแล้วก็มาประชุมกันต่อที่ UN SCAP เพื่อจัดวิสาขาบูชาโลกตอนที่อยู่พุทธมนตมันเป็นเซเรมเนียลก็ไม่มีปัญหาอะไรพอมาที่ UN SCAP เเกิดเรื่องในในช่วงเช้าเนี่ยมีการ อภิปรายของผู้ผู้นำเทราวาตมหายานแต่ละประเทศเป็นเวทีใหญ่ก็ตัวเองก็นั่งอยู่ประมาณแค่นี้ใช้หูฝังเพราะพูดภาษาจีนจะเป็นส่วนใหญ่มันมีถึงมันมีช่วงหนึ่งที่ผู้พูดบนเวทีเป็นผู้นำชาวพุทธจากไต้หวันได้พูดอะไรก็ไม่ทราบ เพราะว่าล่ามไม่ยอมแปลเพราะใส่หูฟังแต่สังเกตชาวพูดไต้หวันผูกใจปรบมือกันเฮกันเนี่ยพูดว่า้เชียกันใหญ่เลยเราก็อาเอ๊ะทำไมไม่แปลให้คนแปลมันคงจะตกใจอะ่ะเพราะมันดากันรู้ทีหลังก็ไม่ยอมแปล สังเกตผู้นำชาวพุทธจากไต้หวันยิ้มเรานั่งอยู่ตรงกลางผู้นำพุทธของจีนเป็นรองประธานผุษสมาคมของจีนยิ้มไปออกหน้าซี์หน้าเสียวสักพักหนึ่งนื่จะไม่แปลคงรงับ พ, พอพูดเรื่องอื่นเรื่องดีๆเขาก็แปล สักพักหนึ่งลองประทานผู้สมาคมของจีนลุกออกไปก็นึกว่าท่านจะไปฉันเพลนเพราะมันใกล้เที่ยงใกล้เพลนคนที่ดูแล ort, เอสคอร์ตรีบขึ้นมาบอก บอกหลวงพ่อประธานสมจินประมุขรองประมุขสมตำแหน่งใหญ่ะนะจะกลับสถานทูตจีนไม่พอใจการคําพูดของไต้หวันที่พูดส้อนๆจะขอกลับประเทศจีนวอกเอาเลย ตกใจที่พอ ร, รู้เราก็สังเกตมันผิดปกติก็เดินลงก็เลยลงไปหาท่านท่านกำลังรอรถรถยังไม่มารถของสถานทูตจีนยังไม่ม า, า, มมาก็ไปขอท่านอย่าอย่าอย่าไปได้ไหมอย่าขึ้นกับวงแตกละ่ะผู้แทนจีนกลับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้แทนในสาธารชาติด้วยมันไม่มีทางทาอะไรได้เลย กลับอย่างเดียวท่านบอกจะกลับพูดผ่านล่างแล้วกลับเท่าะอะไรท่านก็อธิบายไม่ได้ชัดเจนก็เลยบอกคนไทยที่ประสานโทรไปสถานฑูตจีนด่วนเพราะสถานทูตจีนสั่งให้กลับเลยท่านไม่ได้กลับเองสถานทูตจีนในไทยเนี้ยให้กลับ โทรไปที่สถานทูตจีนก็มีนคนที่เรารู้จักนี่ยนะเป็นทูตที่นั่นแต่ไม่ใช่อแอกอะไรจะทูตหรอกถามว่าเรื่องเป็นยังไงท่านก็บอกมาบอกว่าเมื่อครู่ที่มีการอภิปรายโดยทางผู้แทนสงใต้หวันได้ได้ว่าประเทศจีนหลายเรื่อง พาดพิงทางการเมืองแล้วบอกว่าพุทธสมาคม ค, คือเขาใช้คำว่าบ u น d ิเซ t ซซิชานอฟจีน่าเมันต้องมีที่เดียวคือที่ไต้หวันไม่ใช่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นพุทธสมาคมที่ถูกต้องคือของไต้หวันไม่ใช่ของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ยังพูดอื่นๆนะที่ไม่อยากจะเล่าตรง น, นี้นะผมจะออกระกานไม่งั้นจะพูดได้เยอะกว่า น, นี้ ก็เราเจงขอถอนตัวไม่ร่วมกิจกรรมซึ่งรวมถึงวิศาศาสาสะด้วยท่านพูดก็เลยคุยโทรศัพท์กันบอกท่านพูดมันเรื่องใหญ่นะถ้าไม่ถอนตัว จะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อแก้ไขเรื่องนี้คุยกันทางโทรศัพท์ทางทูดเขาก็บอกว่านึ่งถ้าจากไม่ไม่ถอนตัวไม่ให้เราถอนตัวทางผู้จัดจคือมหาจาหลาต้องขอโทษให้ผู้พูด ขอโทษในที่ประชุมใหญ่ของ u ูเนี่ยพูดที่ไหนต้องต้องขอโทษที่นั่นเพราะเราเสียหายสองต้องไม่มีการบันทึกคือถอนคำพูดไม่มีรีคอร์ดสามต้องไล่ผู้แทนที่พูดเนี่ยกลับไต้หวันไปเลยเออ มาเป็นชุดพอฟังเนี่ยเราคนกลางคิดทันทีถ้าทำอย่างที่ว่าเนี่ยก็วงแตกมันก็จับวิสาขามไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ร่วมก็คือสรุปแล้วศูนย์เปล่าหมดเลยในความขัดแย้งตรงนั้น เราต้องสลายให้ได้ก็ตอบไปทันทีแบบท่านทูตไม่เห็นด้วยนะที่ว่าจะต้องขอโทษในที่ประชุมใหญ่เพราะว่าในที่ประชุมเขาไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีการแปลฟังอยู่ด้วยไม่รู้เรื่องเลย แล้วเราจะไปประจานว่าทะเลาะ ก, กันต่อหน้าชาวโลกได้ยังไงทะเลาะเฉพาะคนจีนก็คุยกันเฉพาะคนจีนได้ไหมเออจริงด้วยอายเขา <c oughs> ทางทุนเ <c oughs> ออจริงเรื่องอะไรจะต้องไปขยายอะคุยกันเฉพาะคนจีนเ้าก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้มาขอโทษเอาจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวนันมาขอโทษกันได้ไหมเราเสนอเออได้ได้ได้เพราะคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องไม่มีการแปล แล้วมันก็ใช้ห้องประชุมใหญ่ไม่ได้นะท่านนะมันมีแต่ห้องประชุมเล็กเอาได้ไหมห้องเล็กได้ได้ไ ด, ได้เราก็ไปขึ้นเรื่องห้องเล็กจุได้สักยี่สิบคนจากพันคนหรือยี่สิบคนให้มาขอโทษกันแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เอาหัวหน้ามานะทั้งฝ่ายนะ มาเจรจากันแล้วขอโทษขอโพยกันโดยอธิการบดีมหาจุฬาจะเป็นคนกลางไกลเกลี่ยนี่เหตุเกิดสักสิบห้าปีมาแล้วเนาะเราก็ยังเด็กอยู่เพราะว่าโนหน้านี่เอาวุธสูงกันทั้งนั้นเลยไปถามทางฝ่ายไต้หวันเนี่ย ลูกน้องท่านว่ายอย่างนี้อย่า ง, างี้จะขอโทษอราง้ได้ได้ฟงเล็บสงสัยด่าแล้วสบายใจแล้วต่อไ ด, ได้แล้วไม่นึกในใจเลยขอโทษก็ได้สิป้อมา่าแล้วก็นั่งอยู่ตรกลางโอ้ยตั้งป้อมกันมาทั้งสองฝ่ายเลยนะอา้าจีนว่าก่อนจีนเป็นดินใหญ่ว่ามาไม่พอใจอะไรก็พูด เป็นภาษาจีนเราก็ต้องมีคนเขาเขารุ้คุยรู้เรื่องนี่แล้วก็เอาต้องมีล่างคอยแปลแต่แล้วเอาทางนี้แก้มาแก้ไปแก้มาทีนี้มันมีจุดพลิกผันตอนแรกเนี่ยมันร้อนแรงมาในบนโต๊ะเจราจาเนี่ยคนที่เป็นคนว่าเนี่ยคนหนึ่งของไต้หวันแลวเป็นหัวหน้าอีกคน หัวหน้าฝ่ายไต้หวันกับหัหน้าทางฝ่ายจีนถูกว่าเนี่เขาคุยกันพูดผ่านไมโครโฟนคุยไปถึงตอนหนึ่งเขาก็ถามว่าทางฝ่ายไต้หวันอทางฝ่ายไต้หวันถามจีนว่าท่านมาจากมณฑลไหนบ้านอยู่ที่ไหนว่างั้นเอยบ้านเดิมมณฑลไหนท่านนี้ก็บอกมณฑลนั้นมณฑล น, นี้ฝ่ายไต้หวันบ้านเดียวกับผมนี่นับญาติกันเลยที่นี่นะ โอ้เรามันโอ้ญาติกันรู้จักคนนั่นคนนี้มาอ้าวญาติกันนี่แล้วมาทะเลาะอะไรทะเล่าคือดีกันนะท่นไอ้เพราะนับญาติได้เลยแล้วตกลงไอ้ฝ่ายนู้นเป็นว่าญาติผลทําไมเราไปบอกรึไม่งั้นผมขอโทษครับมันมันมันง่วงนอนมนอะไเลยก็ว่าไปแล้วทาง น, นี้ก็ แล้วตกลงจะไล่ไอคนนี้กลับไม่ต้องไล่แล้วญาติเดวยกัน อ, อยู่ด้วยกันประชุมกันจบเลยตั้งป้อมกันมานะกลายเป็นสลายความขัดแยง้งถ้าอย่งงางนั้นจัดมาร่วมจัดวิสาขาโลกปีหน้าด้วยกันไหมถามจีนถ า, ถามไต้หวนันร่วมกันได้ไมได้ได้ไ ด, ได้ก็เลย จงมือกันขึ้นเวทีไยเป็นประธานดำเนินการประกาศว่าทั้งจีนทั้งไต้หวันทั่วโลกเนี่ยปีสี่แปดเราจะมาจัดวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศไทยเหลืออยู่เรื่องเดียวทางจีนบอกว่าจะเอาวันไหนเพราะตามคติปฏิทินจีนพระพุทธเจ้าเนี่ยประสู สี่ขั้มไอ้แปดขั้มเดือนสี่วันเกิดวันที่แปดเดือนสี่ตัดสรุวันที่แปดเดือนสิบสองประนีพานวันที่สิบห้าเดือนสองแล้วมีสาขาประสูตรตัดสรุวิ ม, มพานเป็นวันเดียวกันเดิแล้วเราจะเอาวันไหนเห็นไหมแตกทางอีกแล้วนะมันยุ่งจริง จะจัดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลว่รวนหน้านี้ไม่เคยจัดวิสาขาโลกด้วยกันเลยทั้งเทราวาดมหาหยานเพราะนับปฏิทินไม่ตรงกันนี่คือความแตกต่างและเป็นความขัดแย้งมานานนีแล้วปฏิทินทั้งสองฝ่ายมันไม่ตรงกันในฐานะคนดำเนในการก็บอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเอามาติยูเอ็นเห็นไเราจะต้องมีทางออกเสมอ เราจัดวิสาขะนานาชาติ international เนี่ยแล้วเราประชุมที่ u n s c เราต้องเอามติของสหประชาชาติในในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าในการประชุมทั้งที่ห้าสิบสี่เป็น resolution เนี่ยเป็นฐานอย่าเอาปฏิทินเถรวาดอย่าเอาปฏิทินปฏิทินมหายานัมันจะตีกันมันจะต้องมีทางออกให้ โดยมตินั้นได้กำหนดให้จัดวิสาขะใน the full moon day in the month of May วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคมให้จัดเวสัตและไม่ได้เอาปฏิทินของไทยเอาปฏิทินของย n เอเมื่อใดก็ตามเดือนพฤษภาเราจะไม่อไมบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงเดือนมิถุนาเรื่องอะไรเนระเอาพฤษภาเป็นหลัก เมื่อใดก็ตามที่มีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคมวันนั้นเป็นวันวินวสาขา์ได้ไหมเราก็ได้เพราะส่วนใหญ่วิสาขา์มันก็พฤษภาตั้งนั้นเลยแต่เราจะมาอ้านทําไมว่าของเราเดือนพฤษภาท่านปีนี้กับพฤษภาใช่ไหมเราก็ทําแบบเนี้ยเขารบมติย <c oughs> ูเ อ, อ็นเขาเรียกแสวงจุดร่วมสมวนจุดต่างไอ้ที่เดือน เดือนสิบสองเาเดือนเดือนสองเขาเราจะไปพูดสิแล้วก็เลยถามว่าตรงลงเดือนพฤษภานะ เ, น UN เนี่ยนะเป็นมติ u ูเอ็นเนี่ยทั้งฝ่ายมหา ย, ยานรับได้ไหยเขาบอกโอ้ได้ได้ทำไมล่ะ <c oughs> เพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้าเกิดเดือนเดือน4ีเมษานี่ส่วนมากมันจะห่าง ก, กันเหมือันเดือนหนึ่งเดือนเมษาก็เป็นวันเกิดเราเรียกบุตรดาเดย์อยู่แล้วในมหา ย, ยาน เพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยเขาฉลองเดโมบุฎาเดย์อยู่แล้วที่ก่อนจะมาเราบางปีเนี่ยห่างกันแค่ครึ่งเดือนบางปีเนี่ยเพราะปฏิทินเขาห่างกันแค่ไม่กี่วันก็ถือว่าฉลองเดโมบุฎาเดย์ของจีนร่วมกับวิสาขะาของเถรวาทได้เวลาไปโฆษณาในฝ่ายมหายานเรื่องเดโมบุฎาเดย์ในฝ่ายเราเวสักเดย์มันก็เลยจัดเป็นงานานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดได้เป็นครั้งแรกในโลก ต่อเนื่องมาเป็นปีที่เท่าไรละสิบห้าด้วยประการละชะนี้ท่านเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่จึงนับถือมหาจุฬาให้นิสิตพระโยมหนังมาเรียนมหาจุฬาไนดะ้ถ้าที่อื่นเขาไม่ไว้วางใจเพราะในการแก้ความขัดแย้งเนี่ยเราทำแล้วเขาเชื่อมือท่าน และจีนนี่แหละที่สนับสนุนให้ลงในปฏิญญาว่าพุทธมนฑนเป็นศูนย์ตามลักษณะของโลกเหตุจากการสลายความขัดแย้งนี้เพราะฉะนั้นในปีถัดมาเราจีนไปจักที่ยูเอที่ว่า ทีนี้มาถึงข้อที่สามภาวนาประธานในภาวนาประธานเนี่ยพูดแล้วสองข้อนะฮะสังวรประธานป้องกันประหาในาประธานสลายความขัดแยง้งอย่างเรื่องของจีนเรื่องอะไรต่างที่เล่าให้ฟัง เรื่องภาวนาประทานสร้างความปรองดอง ก, ก็หมายถึงเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้ลืมและให้อภัยกัน forget and forgive ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมักจะเก็บความขุนข้องมองใจจองเวรกันถาหนังจีนก็บุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำรนะน่ะเออสิบปีแก้ไขก็ไม่สายนะนั่นมันไม่ใช่หลักที่เราพูด ซึ่งในเรื่องภาวนาประทานเนี่ยเพื่อพัฒนาซ่อมแซมสิ่งที่มันถูกทําลายไปเนี่ยสมณฉันเนี่ยมีพุทธภาสิตที่เกี่ยวข้องคือสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะ ก, การให้ท่านปวงทําไมการให้ธรรมะชนะ ก, การให้ท่านปวงเพราะว่าธรรมะในในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงอภยทานด้วย มาให้ยานให้อภัยแต่ถ้าให้อภัยแล้วมันเหนือกว่าการให้ทุกอย่าออภัยกันเราจึงต้องเสริมสร้างอภัยทานในสังคมเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยต้องการอภัยทานแค่ไหนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอภัยกันและการ ภาวนาประทานเนี่ยที่มันสร้างยากก็คือเพราะเราไม่ให้อภัยกันที่เราไม่ปรองรอดมาทุกวันนี้มันยังผูกแ้นกันอยู่ถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความผิดพลังย่อมมีทั่วทุกตัวคนไอตัวสามัคคีที่เราอยากได้หลังความขัดแยง้งมันไม่เกิดถ้าไม่อภัยกัน เราจะสอนให้คนหน้าที่ของวิศวกรสันนิษฐานจะทำให้คนลืมและให้อภัยกันได้อย่างไร forget and forgive มันเป็นเรื่องท้าทายตัวเราต้องให้อภัยก่อนแต่สำคัญว่าเราได้ทำได้หรือเปล่าพะเจ้ า, าจึงสอนนักสอนหนาเวนย่อมไมรังงับด้วยการจองเวนก็คือการผูกอาฆาตพยาบาท เวนคือการตอบโต้กันความรุนแรงกันแล้วกันในที่นี้ความรุนแรงไม่ระงับด้วยการอาฆาตพยายามบปองร้ายตอบโต้กันด้วยความรุนแรงเขาทันก่อนท่านจต่อไปมันก็ไม่รู้จบเอเวเรนะจะสัมมัติแต่ระงับด้วยการไม่จองเวนความรุนแรงระงับด้วยการอภัยกันทำไงจะให้คนอภัยกัน ซึ่งมันเริ่มจากใจเองถ้าใจคนเนี่ยนะยอมอภัยกันมันก็ยุติถ้าไม่ให้อภัยนะมันจบมันไม่จบมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยมันก็ผูกไปถึงไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกันนะเนลสันมาเนล่าเนี่ยภาพอยอะ เป็นกรณีศึกษาที่อยากจะเอามาพูดให้ฟังในวันนี้ในเรื่องของการไม่จองเวรหรือของการอภัยเรื่องแล็กคอนเซอร์เชันเพราะว่าเขาอยู่ในยุคเขาเรียก Contemporary เขาเพิ่งเสียชีวิตไปสองพันสิบสามประมาณห้าปีเองดังนั้นมันยังมีข้อมูลมากมายเลยที่จะศึกษาชีวิตของเนลสันเบนเดอา คนที่เห็นในภาคอายุยืนนะ95ปีติดคุก27ปีพื้นฐานการศึกษาเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความและมาเล่นการเมืองในประเทศแอฟริกาใต้สซาทาอฟริกาเป็นดินแดนที่คนขาวเป็นเสียงขัานน้อย เพราะฉะนั้นรัฐบาลของคนผิวขาวเนี่ยเยียดผิวเลือกตั้งก็เอาเฉพาะพวกผิวขาวมาออกเสียงกันเป็นเสียงข้างมากปกครองแล้วในปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งเก้าสแปดนี่ยได้ประกาศเรื่องอภไทายยให้ถูกต้องตามกฎหมายอภไาทายคือการแยกผิวประเทศไหนเขาก็ไม่ทำให้เป็นรีกร้หรอกมัสม่าจะเป็น ในอเมริกามันก็ไม่ถึงขนาดแอฟริกาใต้สมัยก่อนเนี่ยเหยียดผิวผิวขาวผิวดำอะไรกันารเขาก็ไม่เขาก็เพียงแต่แยกเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีแยกหมู่บ้านกันอยู่ถ้าคนสีนี้อยู่มากฉันก็มปอยู่นันก็ไปอยู่อีกสีหนึ่งในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่ในแอฟริกาใต้รัฐบาลแอฟริกาใต้ในปี1948ได้ประกาศอภัถไยให้เป็นกฎหมาย โดยห้ามคนผิวสีดำสีผิวดำผิวผิวสีคนอินเดียสมาคมแม้กระทั่งแต่งงานหรือกระทั่งใช้ของใช้หาดร่วม ก, กันกับคนผิวขาวมหาธรรมะ ท, ทันทีเข้าไปก่อนหน้านั้นหน่อยก่อนที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยขึ้นไปเป็นทนายความอยู่อฟริกาใต้จบกฎหมายจากอังกฤษมาเป็นเนติบัลลีตอังกฤษมาไปขึ้น รถไฟที่เขาเริ่มละเริ่มแบ่งแยกผิวละคันทีหนุ่มไปซื้อตั๋วชั้นหนึ่งไปขึ้นปนกับคนผิวขาวโดนจับโยนลงมาจากรถไฟและหลังจากนั้นเขาก็ปร ะ, ประกาศไอ้เรื่องแยกเนี้ยแยกกันอยู่แยกกันกินห้ามแต่งงานร่วมกันเนี่ยติดคุกเลยนะให้มันเป็นตสวนนี่ยกตัวอย่างนี่ใช้หาดนี้นอ่านอาจจะอ่านไม่เห็น สงวนไว้หรืเอเสิร์ไว้เฉพาะ Member of the white race กลุ่มเฉพาะคนผิวขาวในยุคนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนผิวดำซึ่งเป็นเสียงข่านมากของประเทศเนี่ยโกรธมากเลยดูถูกกั น, นในยุคอนณานิคมก็โดนกดขี่ก็ยังเพราะว่านี่ยังพอได้อีกกระนนแล้วก็ยังโดนอีกก็เลยตั้งกลุ่ม เพื่อต่อต้านรัฐบาลเยียดผิวนี่อพาไทยก็คือรัฐบาลของซาอุิอาระเบนี่ยโดยกลุ่มที่เรียกว่าเอ็นซีแอฟริกันเนชั่นอเอ็นซีเลยนะก็ในช่วงนั้นเนี่ยเมเนลสันเมโดลาเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเป็นเท่าไหร่กว่าก็มาเข้าร่วมด้วย พยายามใช้สันติวิธีต่อต้านรัฐบาลแต่มันไม่ได้ผลใช้แบบคันทีนะไม่ร่วมมือบ้างไม่รุนแรงบ้างไม่ได้ผลเขาก็เลยหันไปใช้ความรุนแรงแก้ไขความขัดแยง้งไอ้ตรงนี้ต้องตระหนักไว้ด้วยว่าไม่เหมือนคันตีนะเนลสันเนลสันเบเดล่าเนี่ยหมูกถูกมองว่าไปร่วมกับ SACP ก็คือ South African Communist Party ไปร่วมพัฒคอมมิวนิสต์ซึ่งใช้ความรุนแรงเป็นกองโจนแล้วเป็นกลุ่มการเมืองไอ้กไอ้กลุ่มทหารไอ้ไอ้กลุ่มใช้ความรุนแรงที่ชื่อวันนี้นะแล้วก็ในปีหนึ <seinem nano ic>? ่งเก้าหกหนึ <of nhưng S 2> ่งเนี่ยก็นำไปสู่รับบุทาชื่อคือการเผาการทำลายพวกสารุนโภคอะไรต่างๆของประเทศแล้วก็มีคนตายบ้างแต่ว่าวิธีของเขาเนี่ยเขามุ่งทำลายสิ่งของ มากกว่าค่าคนเพื่อให้คนสำนึกผลก็คือในปี1962เขาถูกจับแล้วถูกตัดสินประหารจำคุกตลอดชีวิตไลท์เอ็มริซเมนท์เนี่ยที่ว่า27ปีนี่เนี่ยติดคุก27ปีจึงได้รับการปล่อยอในปี1990 ส, สิ่งที่เขาได้พูดโดยเป็นทนายให้ตัวเองเนี่ยในการ แถลงต่อสารเนี่ยที่ทำให้นำมาอ้างอิงว่าเขาเป็นไอคอนของด e ม o c ร a c y ซีและก็โซเชียล justice คือประโยคนี้ไอข้อความนี้<ม>เขาพูดสามชั่วโมงมก่อนที่จะโดนจัจบติดคุกยี่สิบเจ็ดปีเขาบอกว่าตลอดชีวิตของผมเนี่ย<ม>ผมได้อุทิศตนเพื่อต่อสู้ให้กับคนแอฟริกา แต่ไม่ต้องการให้คนขาวเป็นใหญ่เหนือคนผิวดำและไม่ได้ต่อสู้ให้คนผิวดำเป็นใหญ่นะตรงนี้นะเขาไม่ได้สู้เพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนือกว่านะ domination เนี่ยแต่ต้องอุดมการณ์ของเขาก็คือให้เกิดประชาธิปไตยสังคมที่เสรีประชาธิปไตยนะี่คือเป้าหมายเข เขาไม่ตการยกคนผิวขาวเหนือคนผิวดําคนผิวดําเหนือคนผิวขาวแต่ต้องการให้ส่งเสริมอุดมการณ์สังคมเสรีประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยมีโอกาสเท่าเทียมกันเป็นอุดมการณ์ที่มีความหวังตลอดชีวิตและอยากจะเห็นเป็นจริงอยากจะเห็นอุดมการณ์เนี้ยเรื่องสังคมประชาธิปไตยเนี้ยนะมันเป็นจริง แต่หลอดนี่หมายถึงพู่ยภาษานะท่านพุ่ยภาษาที่เคารพ if it needs be ถ้าจำเป็นนี่คือประโยคทอง it is an i d for which I am prepared to die ถ้ามันเป็นจริงผมก็พร้อมที่จะสละชีวิตนี้เพื่อให้สำเร็จตามบุโดงการนั้นโดยทนายความเนี่ยเมื่อมาเห็นต้นฉบับให้ขอตัดประโยคนี้ออก NID for WM prepare to die เพราะกลัวสารจัดพิพากษาประหารชีวิตมันท้าทายสารก็ตกลงว่าจะเอาออกแต่เวลาแถลงจริงยังคงไว้แต่เพิ่มท้าไว้ด้วยกอกกลัวโทษประหาร if it needs be ถ้าจำเป็นก็จะต่อสู้ก็พร้อมที่จะตายเพื่ออวามกรารนนี้ อันเนี้พอพูดเสร็จก็เข้าคุกตลอดชีวิตมันจึงและเขาก็ยืนหยัดเพื่อคุณค่าแห่งดิมมอกเซี่เนี่ยโซเชียล justice ตลอดชีวิตของเขาไม่ว่าจะอยู่ในคุกนอกคุกพอเขาอยู่ในคุกไปนานๆเข้าไอ้ความไอา้อภัติเนี่ยอาภาายัตมันถูกต่อต้านโดยคนผิวอื่นผิวดำนอกจากต่อต้านผิวขาวเกิดความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งมาในหนึ่งเก้าเก้าสูงเนี่ย เขาก็ปล่อยตัวเนลสันเมเดล่าออกมาจากคุกเพื่อกลับมาเป็นผู้นำของเอ็นซีแอฟริกันเนชั่นัลคอนสสภาแอฟริกาแห่งชาติปรากฏว่ามันก็คนที่ปล่อยเขาเนี่ยคือประธานาธิบดีดูเครก เป็นคนผิวขาวรัฐบาลผิวขาวเนี่ยเห็นว่าความรุนแรงเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นมันจะต้องปล่อยเมนเด ล, ลาและพวกออกมาหลังจากที่ตัดสินว่าตลอดชีวิตเนี่ยมิตรโทษเลยหลังจาก27ปี<ม>แล้วก็เข้าสู่โหมดประณีประนอมสมานฉันท์ตรงนี้คือบทบาทของของเขาเริ่มตรงนี้เพราะนอกนั้นเนี่ยอยู่ในคุกหมดพอเขาออกมาเนี่ยคือ อฟริกาใต้มันมีเผา่าคนผิวดำหลายเผา่าที่แยกตัวออกไปพวกซูรูพวกอะไรต่างๆนะต่อใต้นักธำบังต่างเมเดลาชักชวนตัวเองเป็นคนผิวดำเนี่ยชักชวนพวกคนผิวดำทั้งหลายเนยบอกอยามาแบ่งแยกดินแดนอย่างมาทะเลาะกันเลยเรามาร่วมสร้างชาติอฟริกาใต้ด้วยกันโดยเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยฟังสเสียงพวเขาอยู่ตรงนี้ ให้กลุ่มกองโจรทั้งหลายเนี่ยออกจากป่ามามาเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไปสมัยก่อนมันเลือกตั้งเฉพาะคนผิวขาวลงทะแนนแต่นี้คนทุกผิวมีสิทธิ์หมดมาเลือกตั้งแต่ท่านต้องวางอาวุธเจรจากับคนอื่นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เจรจากับรัฐบาลผิวขาวกข้องเดือร้อน รัฐบาลผิวขาวก็ไม่มีทางเลือกอาถ้ามันนําไปสู่ความสงบบางกูได้ก็ตกลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปในการแข่งขันเพื่อการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจัดในปี1994ออกจากพวกมาได้สี่ปีก็เลือกตั้งมันมีช่วงหนึ่งที่มันแสดงถึงอคําว่าภาวนาประทานในการอาภัยของการให้อาภัยของเดลสายเนี่ยลองคิดดูนะ เนรสารถูกจับเข้าคุกยีสิบเจ็จีพราะรัฐบาลผิวขาวแต่เขายังไปจับมือกับไปชวนคนผิวขาวเนี่ยมาเลือกตั้งด้วยเขาไม่ได้คิดว่าเลือกตั้งชนะสุไวย์เนี่ยบีบไอ้พวกผิวขาวนี่ยให้มันตกทะเลไปเรายังจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือลักษณะที่ว่าตัวเองต้องอภัยก่อนไปเจรจา ก, กับประธานาธิบดีเดอะคละิกเรามาสร้างชาติด้วยกัน มาเลือกตั้งด้วยกันทีนี้การหาเสียงเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบอเมริกาคือออกโต้วาทีทางทีวีดิเบตนะเหมือนกับอเมริกาเขาเนี่ยในการโต้วาทีทางทีวีเพื่อหาเสียงเนี่ยเนลสันเมเดราเนี่ยได้ทำสิ่งที่ทางททยเขาสังเกตตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนี่อย่างละไายก็คือว่า ในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเดลเคิร์กเนี่ยนะนี่คือประธานาธิบดีตอนนั้นยังอยู่ในตำแหน่งเป็นมาหาเสียงเลือกตั้งและเมเดล่าเป็นเป็นหัวหน้าของเอ c นซีเนี่ยนะพักไอ้พักที่จะเข้ารการเลือกตั้งเนี่ยเทียงกันนะปรากฏว่าเดลเคิร์กเนี่ยเป็นคนฝรั่งเนี่ยพูดเก่งกว่าคนผิวขาวเนี่ยพูดออกทีวีเก่งต่อตนชนะเลยเน่ะถ้าดูแล้วเนี่ยพูดเก่งกว่าดีกว่าเบทเตอร์สปเกอร์ แต่พอพูดจบนะคะแนนกลับไปอยู่ที่เนลสันเบนเดอราเพราะอะไรทั้งๆตัวเองแพ้ในการโต้วาทีแต่ชนะเลยเรียกว่าชัยชนะของผู้แพ้ก็คือนั่งคู่กันอย่างเงี้ยออกทีวีพอพูดเสร็จปุ๊บเนลสันเบนเดรายื่นมือในทีวีกันถ่ายอยู่เนี่ยบอกท่านผมกับท่านจะต้องช่วยกันพัฒนาประเทศสรัฐอเมริกาต่อไป เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบอยู่ในมือของเราทั้งสองเราจับมือกันเดินต่อไปดีกว่าเด็กเคลิ้มงงเลยกำลังด่ากันอยู่เมเป็งเลอึกอั๊กอึก อ, กอกัพอเขายื่นมาก็เลยต้องจับเพราะจับมือมันก็เลยออกมาเป็นภาพนี้รอยเตอร์รายงานเพราะฉะนั้นผู้สังเกตการณ์เจอบอกว่านี่ นี่คือประโยคที่เขาบอกว่าเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบประเทศนี้ I am prepared to hold your hand for us to go forward to get e r บอกกับมาเดล่าลทางทีวีเลยผมจะต้องจับมือท่านผิวขาวกับผิวดำมันแยกกันตลอดแล้วคุณพวกนี้จะจับเราเข้าคุกอะ่ะแล้วยังจะมายืดมือให้จับเนี่ยเนี่ยหนึ่งในปี1994ก่อนการเลือกตั้ง ในตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยนักเรียสารเขาจึงบอกว่าทายเขาบอกว่าตอนที่เช็คแคนกับมันทำให้เดอะเคิร์กงงนะสับสนแต่การที่เขายื่นมือไปก่อนเนี่ยมันไอผู้วิจารณ์เขาบอกว่านี่แหละนำชัยชนะมาสู่เมเดราชนะใจคนทั้งโลกคนในอฟริกาคนผิวขาวด้วยคือการ ประนีประนอมสมานฉันท์ r e c o n c i l i a t i นี่คือจุดเด่นของเขาตอนที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาใช้ความรุนแรงและเข้าคุกแต่พอเขาออกมาเขาเปลี่ยนเขาได้บทเรียนเขาเพราะตอนที่เขาตา ย, ยาปี2013เสียนเอ็นจึงรายงานว่าเนลสันเบลล่าเป็นคนที่จับมือกับผลมากที่สุด ายตรงข้ามศัตรูจัา บ, บมันเป็น s y ญลักษองเล็กคอนซัลเลชันในการจับตือพวกเขานี่คือประนีประนอมนี่คือท่าทีของเนลสันเมเดลาและก็กลายเป็นชัยชนะของผู้แพ้มองลูก คนที่อภัยนี่คือมองโลกแง่ดีทุกคนเป็นวิพัฒชวาคมีส่วนช่วยสร้างชาติมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณคนขาวเขาก็มีค่าเราจะต้องจับมือกันช่วยกันสร้างชาติมองโลกด้านร้ายกลายกลับ ใจรับแต่เรื่องเครืองขุนเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพูุ่นวายแท้เนี่ยเอ่ยคนที่จะประนีประนอมจะต้องมีมองโลกในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์โพสิติฟนี่คือโลกกระทัของประนีประนอมข้อสุดท้ายรักษาสันติภาพที่มันเกินอยู่จะให้มันลื่นถลหลไปเป็นความรุนแรง แม้มันจะอยู่กับความแตกต่างเราเราควรจะจัดเมื่อแม้มีความสงบมันก็จะต้องมีโปรเจกต์มีโครงการเพื่อสร้างสันติภาพให้ถาวรต่อไปในสังคมที่เป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ปะทุขึ้นมาในสังคม พ, พหุวัฒนธรรมเนี่ย ทางยูเนสโกเสนอให้ทาสองเรื่องโดยสรุปหนึ่ง discovery of others แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสอง projects of shared purpose ที่เรียกกันว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดตา่างในภาษาไทยนะอันนี้เป็นข้อเสนอของยูเนสโกจะเห็นได้ว่า เทระวัตมหายานวัชิรญานในมหาจุฬาท่กว่านี้เนี่ยเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเยี่ยมเยียนกันเพราะฉะนั้นในโลกของพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีความดุแลแหลกไม่มีความแตกแยกแล้วมหาจุฬานี้จะเป็นศูนย์กลางของ discovery of a r t s ในส่ว น, สวนแสวงจุดร่วมสังกัต่างคือเราทำโปรเจกต์ร่วมเช่นวิสาขบูชาโลกอะไรที่ต่างกันอย่างที่เล่ามาเนี่ยเราก็ไม่นามาพูดแล้วก็เก็บเรื่องต่างเอาไว้แล้วก็มาทําเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเราสามารถทำกับศาสนาอื่นๆได้อย่างเช่นเรื่อง climate change ภาวะโลกร้อนภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราสามารถเอาทุกศาสนามาร่วมเอาทุกกลุ่มการเมืองมาร่วมเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยไม่ไปพูดถึงความแตกต่างและเมื่อมาทำงานกการ่วมกันมันจะรักกันเองเอาคนที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมาทำเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ที่สูงส่งกว่าไอ้เรื่องเล็กเรื่อน้อยความขัดแย้งความแตกต่างเนี่ยมันจะทําให้มองท้ามแล้วก็รู้จักกันเออเขาก็คนดีนะเมื่อคนดีก็มาช่วยกันสิมันก็เหมือนกับเนลสันเบเนล่ามองข้ามไอ้ผิวออกไปแล้วก็เอามาร่วมกับพัฒนาประเทศเมื่อเนลสันเบเนล่าเป็นประธานาธิบดีชนะด้วยเสียงข้างมากเนี่ยรองประธานาธิบดีก็คื อ, คอเดอะคลิป เอาเด็กเชิกมาเปลองพัฒ น, นาที่บดีเอาผิวขาวอะเนี่ยนี่คือ r e c o n c i l i a t i o n แต่ทำไงเมื่อปร ะ, ประสารประนปฏิปัติ n แล้วนี่จะทำให้มันยืนยาวต่อเนื่องอันนี้แหละมันจะต้องมีเรื่องนี้ต่อไปก็คือพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอเพื่อลดอคติเพื่อลดความเข้าใจผิดมีการประชุมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ หางานให้ทำโดยมีเป้าหมายใหญ่กว่าเมื่อมีโปรเจกต์เขาเรียกแชร์โปรเจกต์ไอเช e เพอร์เพสก็คือมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเอาโปรเจกต์นั้นมาทำเนี่ยมันจะเกิดความเขาเรียกว่าสามเมคคีกันเองอะแล้วมันก็จะรักใคร่กันโดยเอาสองข้อนี้ไปทำเองเนะเดี๋ยวจะล่าให้ฝังมางจากประสบการณ์เรียกว่าบ่อนบ้านวัดราชการ ในฐานะที่เป็นเจ้าวาดวัดประยูนยซึ่งเป็นวัดขนาดกลางไม่ใช่วัดใหญ่มากเป็นพระร า, ามหลวงชั้นโทไม่ใช่ชั้นเอกหรือเอกอุเราถือว่าชั้นปางได้ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแสวงจุดรวดสุขุิตต่างเนี่ยในการพัฒนาชุมชนรอบวัดซึ่งมีสามศาสนาสี่ความเชื่อให้เกิดเอ ก, กภาพอย่างไรเนี่ยอันนี้ ได้ทํามาแล้วเป็นสิบเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นเจ้าวาดนะไม่เกี่ยวกับมหาจุลานะเรามีชุมชนหกชุมชนมีสี่ศาสนาอยู่ด้วยกันชุมชนกดีข่าวนี่เป็นคริสชุมชนวัดกระยานี่พุทธชนพุ ด, ด, ดีจีนเนี่ก็เป็นพุทธจีนเป็นมหายหญ่ชุมชนวัดประยุรวงศ์นี่ก็เป็นพุทธเทรว่าชุมชนอุป ร, รากรชุมชนลงข่า กุดีจีนนี่เป็นคริปโบสาสาสานสครูสมันอยู่ในย่านเดียวกันเ้าเรียกย่านกูนดีจีนท่านจะเห็นเนี่ยเห็นไภูมิศาสตร์มันบล็อกเราไว้ได้วยกันนี่คือวัดไปยุเนเนี่คือสะพานพุทธแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพยานเนี่ยถ้าเดินมาริมนี่วัดวัดไปยุนเนี่ยมันอยู่ติดสะพานพุทธเดินมาตรงนี้หน่อยร้อยกว่าเมตร ก็เป็นโบสถ์สังสรรชุมชนคริสต์เดินมาหน่อยก็วัดศาลเจ้ากเกเร น, นเก๋งเป็นจีนแล้วก็มาวัดกระยะแล้วก็กุดีขาวมัสยิดเห็นมมันถีกหนีกันไม่ได้มันอยู่กันอย่างเงี้ยและเราจะพัฒนาเฉเพราะตรงนี้โดยไม่สนใจอิสลามมันก็ไม่ได้เพราะเขาก็เข้าออก่างวัดเรามุสลิมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น โดยที่เขาอยู่ร่วมกันมาเนี่ยนะนานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีเนี่ยเพราะวังเดิมมันก็อยู่วัดอรุณเลยมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะต้องคำนึงถึงประวัติศาสตร์แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในฐาน ะ, จะเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องพูดให้คนในชุมชนของเราเนี่ย เรสเพคยอมรับนับถือความแตกต่างหลากหลายของชุมชนไม่อะคติต่อคริสต์ไม่อะคติต่ออิสลามมุสลิมโดยในส่วนของในส่วนเราจะต้องเอาอะไรมาเป็นเป็นจุดเชื่อมแหละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนหนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่เพื่อละลายอคติต่อกัน ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เมื่อมีจัดงานเนี่ยอะไรต่างก็จะพูดปจาจกร า, าเทศอะไรไปเรื่อยกรอกหูไปเรื่อยๆ อ, อันแรกก็คือเชื่อมกับมัสยิดทได้อิสลามค่อนข้างจะเป็นอคติเห็นไหยในช่วงหนึ่งอ่ะสมัยโน้นอะ่ะเราก็ไม่ต้องการให้ในชุมชนเรามีปัญหาก็สลายอาคติต่อมุสลิมวิธีสลายทําไงรู้ไหม แลกเปลี่ยนเนรู้ตั้งคําถามก่อนในฐานะเจ้าว่าใครสร้างวัดประยูรสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาปยระวงดิษฐบุญนาคเป็นผู้สร้างวัดประยูรถามว่าดิษบุญนาคเป็นลูกของใครเป็นลูกของนายบุญนาคในสมัยรัชกาลที่หนึ่งดิษบุญนาคเกิดสมัยรัชกาลที่สาม แล้วนายบุญนาคในรายการที่หนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกน้องเขยรายการที่หนึ่งนั่นละกันสกุลบุญนาคจึงเป็นราชินิกุลเพราะว่าเกี่ยวข้องกันในเชิงพี่น้องสาวเนี่ยองหนึ่งเป็นแม่เหสีองหนึ่งเป็นน้องชายของบุญนาคได้เป็นเอ็มหนึ่งเป็นเป็นเอ่อเป็นภรรยาของบุญนาคเพราะฉะนั้นคู่เขยกันรายการที่หนึ่งกับบุญนาคในบุญนาคคนนี้เนี่ยต้นตะกูลมาจากไหน ย้อนไปสมัยเจ้าพระยาเพชรพิชัยใจพระยาเพชรพิชัยใจเป็นเป็นอิสลามเป็นพุสลิมและพระยาเพชรพิชัยใจเนี่ยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเห็นแต่ขราชบริพารเสนาอัมมาเนี่ยตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปไหว้ อ, อ, อ, อไปไหว้ที่สระบุรี ลอยพุทธบาทสระบุรีไปเหมือนกับทำมายาตราแต่ตัวนะพเพชรพิชัยพญยาเพชรพิชัยใจไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะเป็นอิสลามเป็นพุสลิมแล้วถ้าจะตามเสด็จทํำยัำยงไงต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธพญาเพชรพิชัยใจก็เลยเปลี่ยนเป็นพุทธจากมุสลิมเนี่ยเป็นพุทธ ตามเสด็จกลับมาได้เป็นเจ้าพญาเพิ่อยจ่ายมีลูกเป็นนายบุญนาคสายหนึ่งนับถือพุทธลูกสายหนึ่งของพิช่ชายยังเป็นมุสลิมอยู่แล้วในสายนี้ได้เป็นจุฬาลัชมนตรี<ม>เป็นจุฬารัฐ<ม>แล้วย้อนไปอีกก่านั้นอีกมันก็เป็นมุสลิมมาต่ อ, ตอจนกระทั่งมาเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นบุญนาคพุทธแล้วก็มาทางนี้<ม>เห็นไนหะมเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาสร้างวัดตรงนี้เนี่ย ญาติญาติเขาเป็นมุสลิมเขาก็ให้มีกุฎีขาวมีมัสยิดอยู่ในเชื้อสายของมุสลิมด้วยกันบนนุญนาคด้วยกันนั่นแหละแต่เป็นมุสลิมเห็นไหมมันพี่น้องกันทางนั้นเลยเหมือนกับอียิปต์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนอื่นไกสายเดียวกันต้นตระกูลเสริมมาอ่ะแล้วแล้ว อันนี้นี่ทังทงั้งเราโยงถึงกันเลยนะในเชิงประวัติศาสตร์นะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วสั่งจากครูสรั่งจากครูนี่เป็นโปรตุกเกตโบสโปรตุกเกตพระเจ้ากรุงทนให้มาสร้างโบสโปรตุกเกตที่ตรงนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเด็กบุญหน้าที่สร้างวัดประยูนเนี่ยเป็นเจ้าพยาพระครังเหมือนรัฐมนตรีต่างประเทศเวลาใครมาเยือนประเทศไทยก็ต้องมาเทียบท่าหน้าวัดประยูนแล้วก็ไปพบสมเด็จเจ้าพยาแถวนี้ ฉะนั้นตอนที่สัญญาบารริงเนียอะไรต่างเนี่ยทำที่วัดปิยุดังนั้นตรงนั้นคือเหมือนกับท่าอากาศยานปัจจุบันเนี่ยมันเป็นท่าเรือก่อนจะเข้าวังหลวงต้องมาที่นี่ก่อนฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เปิดรับต่างชาติมาอยู่นอกจากมุสลิมแล้วก็จะมีฝรั่งทีนี้พอฝรั่งเข้ามาเนี่ยวันที่สร้างวัด แล้วฉลองนะเนี่ยปีสองสามเจ็ดเก้าเนี่ยมันมันเกิดไอ้ปืนปืนใหญ่ที่เขาฝังฝังโคลนไว้ในดินแล้วก็จุดไฟเนียงผ่าเอาดินปืนใสแล้วก็ให้มันพุ่งมันระเบิดพอระเบิดแล้วพระแขนขาดไส้ทะลักคนบาดเจ็บเจ้าพญาพระคลังเนี่ย อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปตามหมอฝรั่งซึ่งมาอาศัยบ้านเช่าที่อยู่ที่ในที่ของท่านเนี่ยตรงเนี้ยท่าเรือวัดไปอยู่ถ้านาวัดไปอยู่เนี่ยให้ไปดูอาการหน่อยหมอคนนั้นก็ไปแล้วก็ทําการผ่าตัดกันเห็นเห็นยังไม่เคยมีในประเทศไทยเลยจับไส้ยัดขึ้นไปแล้วก็เย็บกันผ่าตัดทางกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยการแพทย์ไทยจะบอกว่าการผ่าตัดแบบสมัยใหม่มีครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดประยุ์ เราก็ไปหาข้อความนี่มาสิแล้วหมอที่ผ่าตาคือหมอบรัตเล่และบัตเล่อยู่ตรงไหนกันอยู่ข้างสาลจากครูดนเนี่ยามันก็เชื่อมกันที่ททนี้แล้วสาลจากรครูดนีนนะตรงนี้เนี่ยก็สร้างอะไรต่อมีอะไรหมอบัตเลขเข้าไปมีงานอะไรต่างทั้งโบสถทางวัดก็ไปหมอบัตเลขเข่ก็มา เราก็เชื่อมกันเพราะฉะนั้นในวัดปรืนก็จะมี JD, เจดนะีเขาเรียกว่าปืนใหญ่เลยนะฝังอยู่สารกระบอกเขาเลยเรียกสโลแกนว่าขวานสามหมื่นปืนสารกระบอกหอกสามแสนวัตถูเรล็กอะเราก็บอกประชาชนดูนี่เห็นไหมนี่ขวานสาม0 0ื่นมันจะงี่งี้งี้มาเกี่ยวข้องกับฝรัง่งยังงี้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคนก็ค่อยๆเออ ừ, มันเชื่อมกันเนาะแล้วก็รู้ไหม ที่โบนัสการทุธเนี่ยในสัญญาบาร์ริงเนี่ยนะมันจะมีฝรั่งคนหนึ่งตามบาริรงมาแล้วก็ไม่ยอมกลับแล้วก็มาเปิดห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ท่าเรือวัดประยูนคนในสมัยนั้นเขาเรียกว่า British Factory ไปดูประวัติ British Factory เอาสินค้าจากอังกฤษเนี่ยนะมาใส่ในที่จริงไม่ใช่ Factory ่แคือโกดังสินค้ามันคือห้างสรรพสินค้า เอาได้ของมีค่ามาของแพงๆจากอังกฤษส่งเรือมาเขาก็ามาใส่ในบ r ิ t i s แฟ a c อรี่ก็คือห้างสรรพสินค้านี้แล้วก็ไปเลขขายคนฝรั่งที่ทำหน้าที่นี้เขาเรียกเขาชื่อฮันเตอร์แต่ในประเทศไทยเรียกหันแตรเพราะฉะนั้นฮันเตอร์ฮันเตอร์ในหาไม่เจอหรอกก็ไปกดคำว่าหันแตรนะที่หันแตรมาทำอะไรก็ได้ของมาเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่ง เอาเหล็กเนี่ยเป็นล้ววังในยุโรปในอังกฤษนะนะบรรทุกเรือมามันจะมาขายพระเจ้าแผ่นดินที่เมืองไทยบอกมันมีฟอกไม่ดาบไม่ขายเออไม่ซื้อนายฮันเตอร์ก็เลยไปถามเจ้าพญาพระคังเทวตไปยูนเนี่ยบอกจะซื้อไหมไปล้อมโ้วัดเจ้าพญาพะคังก็เลยซื้อมาล้อมโลวไปยูนไงล้วเหล็กไงโอ้จะรู้ดีแล้วเกิดเจ้าวาดตรงนี้นี่คนมันก็เลยเชื่อใหญ่ที่นี่เราพูดแรง กู้่าไปคุดไปจากไหนเรอรู้กันแล้วกันแล้วฮันเตอร์เนี่ยนะแต่งงานกับายแเราก็ว่าไปแล้วคนนี้ทําขนมอร่อยมากๆเลยเรียกว่าขนมฝรั่งกุดีจีนเออแล้วขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยมันเป็นขนมที่มาจากอายุธยาสมัยออเจ้านะ เออมันก็จะโยมเพวกมอีกมันจะไปใหญ่นะวันนี้นะพอแค่นี้นี่เออภรรยาของไอ้ยพยาพี่ยาเย็นพอนคเน่ะชื่ออะไรอ่ะท้องทองกิบม้าเน่ะเป็นคนทาแล้วมันเหลือต้นฉบับอยู่ที่กุฎีจีนนี่แหละโอ้โหทำไมรู้เยอะเออฝังกงนใหญ่เลยทีนี้นเนี่ยเล่เ ข, ข้ามานะอย่าง ก, กับเล่านิทาน แรกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมพูดมันทุกปีทุกปีเนี่ยทำไมจะจําไม่ได้เพราะพูดเองอะ่ะเอพูดไปเทศไปเทศไปมันก็กล่องคนให้เหมือนกับเป็นพี่น้องกันอ่พอเป็นพี่น้องเสร็จเราจะต้องทําอันนี้แรกเปลี่ยนเรียน ร, รู้ก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆโดดปุ๊บเข้าไปโหมดทําร่วมกันนะไม่ใช่นะให้คนรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนพอเสร็จแล้วเราก็ทำแชร์โปรเจกต์อาแชร์เพอร์เพส สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างโดยปาราอะไรรู้ไหมพัฒนาชุมชนชุมชนเรานี่มันช่วยกันพัฒนาเนาะห6ชุมชนนะให้มันหน้าอยู่หน้ามองยอมทอดผ้าป่านะเอาเงินไปให้ชาวบ้านเนี่ยทำจอกซอกซอยรอบๆให้มันสวยงาม ทางจะพูดเห็นดีด้วย เ, เราก็ทำด้วยกันโฮกชุมชนเนี่ยทำชุมชนให้มันน่าอยู่เสร็จแล้วเอ๊เราแยกกันเนี่ยมันจะทำให้ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเราจะต้องมีโปรเจ c t o ออฟแชร์เพิร์เพทำอะไรดีถ้าจัดงานวิสาขะเขาก็ไม่เข้านะคลิปมุสลิมก็ไม่มาจัดงานคริสต์มาสเราก็ไม่ไป ทุกปีมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เลยว่าทำเมื่อไรเอางี้ดีกว่ารอยกระทงเออดูที่วัดจุดเด่นของเราเนี่ยชุมชนเราเนี่ยมันอยู่ริมน้ำใช่ไหมเนี่ยไม่เคยจัดรอยกระทงร่วมกันเลยแล้วรอยกระทงมันไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสักเท่าไหร่น้งานางโน้ตพมา่าด้วยอะไรน้วยว่ากันไปอ่ะตกลงไม่ใช่พุทธไม่ใช่คลิป มันเป็นวัฒนธรรมไทยเราก็มาจัดรอยกระทงด้วยกันปีแรกเนี่ยแถลงสื่อมวลชนเอาที่ไหนแถลงถ้าใช้วัดประยูนมันก็เข้าออพุทธสารสกลุลก็เป็นคริสสกพดีขาวก็เป็นอิสระก็เลยมาจัดแถลงข่าวหน้าสํานักเทศกิจเป็นเป็นตะกอบเป็นเป็นสาาว่าการจังหวัดคุณบุรีริมแม่น้ําพอดีเลย แถลงผู้สื่อขาวคนมไม่เยอะหรอปีแรกแต่ว่าบนเวทีนั้นต้องมีเจ้าอาวาสวัดประยูตนั่งคู่กับอธิการโบสสารตักทูตแล้วก็ อ, อิมัมกุดีข่าวแถลงข่าวด้วยกันมันไม่เคยมีท่านมันไปทั่วเลยที่นี่นะโอ้ที่นี่แปลกเนาะมันเป็นสับลอนอ่ะโฮตน่ า, นามารวมกันนี่นะ ประธานชุมชนคริสต์อิราเอทีนี่มาหาพระพรหมบัณฑิตนะมาหมดเลยนะเพราะจับเจ้าวาดเขาได้นะเดี๋ยวก็ฝ่ายมุสลิมก็มาทนายก็มาพอบนได้ยอมรับมันมามีกิจกรรมร่วมกันเราก็เลยจัดงานลอยกระทงร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ก่อนการได้คุยได้พบได้ปะได้พูดกันเนี่ยมันก็ทําให้รู้จักกันเรื่อยๆมีงานด้วยกันตอนแรกงานก็คิกก๊อกคิกก๊อกเนี่ยเล แต่ว่ามันเป็นอุบายทําให้คนมารวมกันแล้วส่วนหนึ่งที่เราทําเพิ่มก็คือนบูรณะเจดีย์เนี่ยก่อนบูรณะเป็นอย่างนี้ก็บูรณะเจดีย์ที่เก่าเนี่ยนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยทาหมดเลย จะเวลามีน้อยข้ามไปเลยเป็นเจดีย์สีขาวอย่างนี้ริมฝั่งไมนะ่น้ชุมนยในการบูรณะเนี่ยนะเราก็จัดงาน เ, เขาเรียกอะไรรอยกระทงอยู่ใช่ไหมพอช่วงที่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ทูลเชิญเสด็จบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเราก็จะเอาชุมชนรอบๆเนี่ยมาร่วม ง, งานรับเสด็จเขาก็เข้ามาแหละแล้วก็ บางช่วงที่เรามีงานอภิปรายทางวิชาการเราก็เชิญผู้นำาศาสนาเขาเข้ามาเขาก็กล้าเข้าวัดเราพอทางกรุงเทพมหานครจัดวันอ่านหนังสือโลกที่ในบสสัรตคุณเราก็ไปเนี่ยเยี่ยมเยียกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดบรรยากาศอย่างนี้ให้ดูบรรยากาศ่อยนี่ยง ยานสาธารสถ า, านปลอดบุหรี่โลกเนี่ยปลอดบุหรี่เลยนะกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงในวัดประยูนเห็นไห ม, มก็จะมีอิมามีมทางนี้มาแล้วก็ใช้เี่สัญลักษณ์เนี่<ม>กระทรวงสาธารสุขเอาตรงนี้เลยปลอดบุหรี่ในส า, าสารณสถานมาใช้วัดประยูนเป็นฐาน<ม>เพราะว่าเชิญแล้วเขามาไงปกติงานที่อื่นเขาไม่มานะวันในวัดเนี่ยนะแต่ที่นี่มาเพราะเราไปมาหาสู่กันประจํำนี่เห็นไหย มีงานอะไอต่าๆก็มาอภิปรายร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นให้ในหลวงบ้างอะไรบา้านภาพเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เจดีวัดประยูนเมื่อบุรณะเสร็จเนี่ยมีคุณค่ามากเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไ อ, บอ้บนวะ์บ้านวัดราชการไอบ้านก็ชุมชนรอบๆอบมาวัดมัสยิด สุราเามาร่วมสนับสนุนพอทางยูเนสโกจะให้รางวัลคัลเจอรัลเนี่ยนะเอ่อเฮอริเทจคอนเซอร์เวชันเนี่ย uh, เขาก็มาถามชุมชนว่าเป็นยังไงบอกได้เข้าไปร่วมม่ไ้ต่างวัดประยูนเลยไ ด, ได้ได้คะแนนเต็มสามแคตตากรีชนะห้าสิบประเทศในแปซเอเชียแปซิฟิกหมดเลยได้ที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเรียกว่าอวอร์ดเอ็กซ l l ลน c ์ ประเทศไทยเคยได้มาเก้าครั้งไม่เคยได้รางวัลที่สองก็ไม่เคยได้แต่ที่สามกับชมเชยรางวัลที่หนึ่งก็ไม่เคยได้อยู่ๆวัดประยุรวรรณจไหนโรรางวัลที่หนึ่งใช้ตรายูเนสโกเลยทีนีม้มีวัดไหนที่ขึ้นมาแล้วแล้วเขาเขียนเนี่ย citation เนี่ยเขาเขียนว่าไงไปดู น, นี่ทาง ผู้อำนวยการดเรกเตอร์มามอบรางวัลเนะนี่ยให้กับทางวัดประเด็นอยู่ตรงนี้การบูรณะซ่อมแซมที่บูรณาการความก้าวหน้าที่เขาเขียน c i t a t ท o n นะ่ทางวิยาศาสตร์และวิถีการสร้างแบบดั้งเดิมได้สื่อสารขนบโบราณได้สืตรองยุกก่กับความร่วมมือร่วมใจที่น่า ย, ยกย่องระหวัางพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้าน เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์ยั่งยืนระหว่างวัดและชุมชนการทำรงรักษาพุทธศาไดาในตรงอยู่ในต่างส่วนรวมจิตใจของชุมชนราจนทุกวันนี้เขามองว่าชุมชนมีหลักศาสนาแล้วอยากเข้ามามามีส่วนร่วมเนี่ยตรงนี้มันถึงให้ดนรางวัลที่หนึ่งถ้ามีแต่ชุมชนพุทธบอกให้ก็ได้กว่าไม่ได้ทำยังไงถึงได้ประสาน เน็ตเราจัดงานกี่ปีปีที่แล้วก็จะมีอย่างนี้พูดด้วยกันนี่นีนี่คนที่เรียนจบจากเราแนละ้วนี่เอีเอน A B A นะ่อ่าก็ไปร่วมงานนี่มันมีที่ไหนที่ผู้นำศาสนาอื่นมาอยู่ปกติมันและชุมชนเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเราใช้เวลาเป็นสิบีในการปลูกฝังศาสนะคติปรับเจแต่คติแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกระทั่ง ถ้าเป็นเรื่องที่วัดอื่นเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะแต่ไม่ใช่ที่วัดไปอยูน่นั่นก็คือการรักษาสันติภาพให้ถาวรที่อื่นอาจจะมีปัญหาเรื่องชุมชนที่นี่ไม่มีแล้วก็เมื่อเราได้รับรางวัลยูเนสโกเนี่ยก็จะประกาศเลยว่านี่คือรางวัลของชุมชนนะ ไม่ใช่วัดประยูนเด่นดังขึ้นมาเราได้เพราะพวกพวกเราทั้งหมด6ชุมชนวัดประยูนจะเพียงเพียงทงหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพราะเราเป็นที่รู้จักระนาชาติแล้วมันจะขึ้นในฐานข้อมูลของยูเนสโกคนทั่วโลกก็จะมาแล้วดิมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเราก็จะส่งให้ไปเที่ยวต่อที่วัดอื่นในชุมชนในโบซานตาครูดไปมัซายิดโกรีขาวสิ่งที่น่ารักคืออะไรรู้ไห เจ้าหนะ้าที่ของทั้งโบสถ์ทั้งสุเหล่าทั้งวัทั้งโบสถ์สุเหล่าวัดมัตยินเนี่ยเขาโคถึงกันหมดวดดันดีคืนดีบาทหลวงนานาชาติก็มาเชี่ยมวัดประยุ่ธ์วัน ด, ดีคืนดีก็พวกกลุ่มหน้านะก็มาจากภาคใต้มาเยี่ยมวัดประยุ่์ก็ถามว่ามาได้ยังไงอ๋ก็เวลาผู้นำศาสนาคริสต์ในเอเชียแปซิฟิกมาหรือต่างประเทศมาม า, มาเยี่ยมโบสถ์ทั้คุ เขาถามว่าอยากจะไปเยี่ยมวัดไปเยี่ยมวัดหนด่อยดิเขาก็โทรมาที่วัดประยูรวัดประยูรก็ส่งคนไปรับมาพามาชมวัดและบรรใหญ่พอผู้นําชาพุทธมาเยี่ยมวัด ก, มกรมศาสนามาที่วัดอยากจะเข้าไปในชมชนไปดูศาสนาอื่นเราก็โทรเข้าไปให้เขามารับมันก็เลยเกิดโครงการมรุษเทศน้อยเกิดอะไรต่างๆตามมาทั้งสองฝ่ายก็ไปมาหาสู่กันจนเดี๋ยวนี้เนี่ย ชุมชนหกชุมชนที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นท่านกดเข้าไปในเว็บเนี่ยนะในเซิร์ชเข้าไปกดคำว่าชุมย่านกะดีจีนเนี่ยจะเห็นข้อมูลพวกนี้มากมายมหาศาลมันเป็นชุมชนตัวอย่างรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศัก์ปฏิมาประกอรไปไหนก็ไม่รู้ไปเห็นเขาจัดพิธีสกการ แล้วปรากฏว่าชุมชนคริสเนี่ยเวลาจัดนิธีการเนี่ยเอาเรื่องวัดประยูนเรื่องพุทธไปแสดงเขาก็งงว่าทำไมคริสมาพูดถึงพุทธทางพุ้กันล่าให้ฟังอย่างที่เล่าเนี่ยท่านรองนายกกับรัฐ <c oughs> มนตรีวัฒนธรรมเป็นยกคณะมา20กว่าคนเพื่อมาเยี่ยมทั้ง6ชุมชนเนี่ยก่อนที่จะออกจากตาแหน่งนพากันมาทางใน รัฐวเาพาเข้ามินบเรื่องจัดวัฒนธรรมชุมชนแห่กันไปจัดอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องโฆษณานะตายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นต้นแบบนะใครไม่รู้ตกข่าวนะมันเป็นชุมชนต้นแบบไปแล้วของของประเทศอะ่ะมันมาถึงขั้นนั้นแล้วแล้วถึงจะว่าไม่ทาอะไรนะเขาก็ทํากันแล้ว มันมีที่ไหนบ้างเนี่ยเขารวมตัวกันนะสร้างศูนย์ชุมชนขึ้นมาเขาได้ที่แล้วเขาไปขอที่สัพสิสินแล้วก็มีคนมาออกทุนเป็นสร้างศูนย์ชุมชนให้6ชุมชนเนี่ยเอาสินค้ามาขายแล้วใครมาเที่ยวก็จะมาติดต่อตรงนี้เขาจะให้เสร็จภายในปีหกสองเนี่ยเขา <S <S เขาเติบโตกันเองแต่ทั้งหมดนี่เราบอกว่ามันจะต้องโดยธรรมชาตินะฮะเอาทุนข้างนอกเข้ามามากมาย แล้วใครจะเอาทุนเข้าไปเนี่ยจะต้องมาถามพระพรหมบดีก่อนเข้า ไ, ได้ไหมเพราะไม่ใช่เอาเงินเข้าไปอัดแล้วก็ดึงพวกมาสถาบันเจ้ากล้าเจ้าคุณทหารแรกกระบังอธิการบดีไปพบเจ้าวางพระพรหมบดี เ, เพื่อที่จะเอานิสิตนักศึกษาของมาเลยมาทำกิจกรรมทําไมต้องไปพบก่อนเพราะมันมีเจ้าที่จุฬาเขาเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเรียกจุฬามาแบบว่านี่ทางฝ่าย ราชกบังเขาจะเข้ามาในคุณจะแบ่งที่ให้เขาเล่นได้ไหมได้ก็เรียกสองฝ่ายมาคุยกันดูแลในการประสานอันนี้เป็นเรื่องทําอยู่แล้วเวลาใครมาก็ตา่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเข้ามาก็ตามกลุ่มทุนเข้ามากลุ่มทุนก็มีเยอะอะไรน่ยมาจัดงานลอยกระทงงานลอยกระทงที่เรล่นจากกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกที่ว่าเนี่ยอยู่ๆหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันจัด เสน่ห์ของลอยกระทรงวัดประยูนคืออะไรคือเอาชุมชนทั้งหกชุมชนเนี่ยมาขายของเราทำใครมีอาหารเด่เดๆอะไรมาขายเลยแล้วให้ในทุนทั้งหลายมาทำซุ้มให้สวยงามวัดไม่เก็บสตังค์สักบาทเดียวแต่ว่าเอาไว้ห้าร้อยบาททุกคนเพื่อแล้วทำความสะอาดผลประโยชน์จัดงานสามวันนะ เป็นของชุมชนหมดวัดไม่คิดค่าเช่าอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไอ้มอะไรต่างๆนี่เขาทำสวยงามประดับไฟหมดโดยในทุนเข้ามาวัดเป็นตัวปลากให้พอจัดอย่างนี้ปีสองปีเนี่ยครับคุแห่กันเข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงวัดประยูนนี่คับข้างมากโดยโดยสื่อเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้เอง แล้วในที่สุดเขาก็เลยบอกว่างานลอยกระทงเนี่ยถ้าฝั่งกรุงเทพต้องถูกเขาทอดฝั่งทนต้องวัดไปอยู่สเสนมันอยู่ทีงไหนรู้ไหมปกติงานวัดเนี่ยนะของกินของใช้อะไรต่าังเนี่ยมันจะเวียนไปตามวัดต่างๆแต่อันนี้เป็นของชุมชนเขาต้องการแสดงฝีมือและเขาภูมิใจว่าเหมือนกับแขกมาเยี่ยมเขาเขาจะทาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่ไปเนี่ยติด ไอ้นี่ของกินของใช้ของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ไปขายวันไหนก็ไม่เอาจากมาวันไปยูนี่แหละเออแล้วแล้วพอมันมีหกชุมชนไม่ชุมชนรับยูนชกกลางนะโอ้เจ้าของที่นะ่บอกไม่ได้จับฉลากรายไดมากกอนได้ก่อนไม่ได้ต้องเอาเพื่อความเป็นทัรในสุดเขาก็ไม่ทะเลาะกันแล้วมันก็เป็นชุมชนที่ที่ตอนนี้มีสี่สิบห้าสิบอาจจะหกสิบเดสิบองค์กรนะ จะเข้าไปช่วยพัฒนาเราบอกว่ายาอทุนเท่าม า, มากต้องการให้เขารักสามัคคีกันแล้วพอพอชมชุนเข้มแข็งใช่ไมเขาก็เขาเขาต้องการอะไรเราก็จะไปบอกอ่เช่นไม่มีปัญหาเรื่องยาบ้าเหรอตำรวจเข้าไปเยอะๆนะเราก็บอกเขาแต่ก่อนไม่มีกระบอกเสียงไม่มีไอไอไอที่โฆษณาชมชุนเอาไปติดลำโพงให้หาทุนมาไม่มีอะไรล่ะเขาจะประกาศทุกวันทุกวันในเนจ้าวาก็จะได้ยิน วันนี้เขาแจกอะไรเครื่องดับเพลิงทั้ง40เครื่องรู้เปล่ามาจากไหน <c oughs> แจกกันในชุมชนสิ่งเหล่านี้ได้บอกกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าใครก็ตามที่มาเราอยู่ที่นี่ในฐา น, นะเจ้าวาดทำงานให้ชุมชนฟูนถ่ายเต็มเวลานะข้างนอกนี่ทำงานพ้าถ่ายนะไปไปมหาจุราก็พ้าถ่ายนะ แต่อยู่วัฏปะญญานี่มันติดที่นะท่านมันอยู่กับตรงนั้นมันต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยต้องถือว่าพูดจากชีวิตทีชีวิตที่เราอยู่ร่วมกับเขาเรารู้จักเขาหมดพกชุมชนเนี่ยไทยเป็นไทยไม่ว่าจะศาสนาไหนอย่างไรนับถือกันเพราะนี่มันคือที่ที่เราอยู่และให้คนกรุงเทพเลิกคิดเอากรุงเทพเป็นโรงแรมมาทํางานเสร็จก็หนีไปไม่รักท้องติด ไทยจะมาอยู่ในที่นี้ต้องช่วยพัฒนาชุมชนให้เขามีจิตสำนึกและมันก็จะรู้จักกันและก็รักกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนั้นก็คือมันก็วินวินเมื่อเราจเจริญเขาก็จเจริญเมื่อเขาได้เราก็ได้ได้ด้วยกันและ ก, ะกระจายกันมันเป็นวินวิน situation แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดเกินเลยอาจจะเรียกว่ามาเล่ากันภายในเท่านั้นเอง ส่วนรายละเอียดท่านไปนค้นไปเสิร์ชไปหาเอาไปดูเป็นกรณีศึกษาในในปัจจุบันว่าในชุมชนเมืองเนี่ยมันจะรวมกันได้อย่างไรยิ่งศาสนาก็ต่าง ก, กันด้วยแต่ทำไมที่นี่ทำได้นั่นก็คือสันติภาพและความขัดแย้งด้วยประกาศรัชนี